เจริญพรทุกๆ ท, ท่านหลวงพ่อไปเทศมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วครั้งนี้วู้พร้อที่สุด <c oughs> ไม่มีใครอารัธนาอย่างนี้เลยตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านก็พบว่าธรรมะที่ท่านคนพบมานะประณีตเหลือเกินสอนนี่คงจะเหนื่อยมากที่จะสอน ใครจะรู้ทันจะรู้ตามได้เหมือนจะตอนช้างเข้ารูเข็มธรรมะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคือถ้าเป็นธรรมะระดับที่จะอยู่กับโลกระดับจริยธรรมอะไรพวกนี้มันง่ายแต่ธรรมะที่จะข้ามโลกนะี่ใครจะใจถึงที่จะข้ามโลกบ้างคนที่ติดโลกกันอยู่ทางนั้นนะท่านก็รู้สึกว่าท่านคงจะเหนื่อยเปล่า กว่าจะค้นพบมาได้นะแสนสาหาัสเอาชีวิตเข้าแลกการจะข้ามพบความชาติใดต้องเอาชีวิตเข้าแลกแต่ถ้าลำพังจะเอาธรรมะเบื้องต้นโสดาสกัตาคาอะไรอ ย, อย่างพวกเราก็พอทำได้ให้รักษาสี่หท่านะั้นรักษาสีห่หาเอไว้นะแล้วมาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวรู้เน้อรู้ตัวอย่าใจลอยไปพยายามรู้สึกตัวให้มาก ถ้าเรารู้สึกตัวได้แล้วเราก็มาดูความจริงของกายมาดูความจริงของใจไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมานะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราที่ไหนเลยก็ได้ธรรมะเบื้องต้นนล้ไม่ยากเกินไปที่คารวะจะทําได้แต่ธรรมะที่จะข้ามโลกนะยากมากครูบาอาจารย์สอนพระนิพพานอยู่ฟากตายพื่อมันต้องกล้าสละจริงๆถ้าเรายังรักยังหวงแหนตัวเองสักนิดเดียวนะ ยังติดเยอะใหญ่อยู่ในขันห้าเนี่ยขันได้ขันหนึ่งสนิดเดียวปล่อยไม่ได้หรอขันที่เรายึดเหนียวแน่นที่สุดคือจิต น, ะนะั่นเองมีญาณขั น, นตัวจิตนั่นแหะเรายึดที่สุดเลยห่วงแหนที่สุดเร่อของประณีดละดีละยากนะคนดีละดียากงั้นกว่าเราจะภาวนานจนมาถึงตัวจิตตัวผู้รู้ได้มาได้ของดีของพิเศษเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญ พอได้มาแล้วรู้สึกเป็นของดีปล่อยไม่ได้แล้วก็จะสงวนรักษาไปตลอดชีวิตเนียตอนหลงพ่ออยู่ลงปุดูลนะมีวันหนึ่งท่านก็บอกนักปฏิบัติส่วนใหญ่ตายแล้วไปเป็นผีใหญ่ผีใหญ่ไปเป็นปพรหมภาวนาแล้วก็ปล่อยขันอื่นไปหมดเลยนะแล้วยึดจิตไว้ดวงเดียวไม่รู้ว่าจิตมันคือเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้นะมีจิตดวงเดียวมันก็ไปงอก ต้นไม้ใหม่มาได้เหมือนเมล็ดมีเมล็ดอยู่เมล็ดเดียวงอกต้นไม้ใหม่ขึ้นมาได้ทั้งต้นมีจิตดวงเดียวไ้งอกขันห้างขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยนั้นกว่าจะเห็นความจริงกว่าจะรู้แจ้งว่าตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของพิเศษแล้วถึงจะปล่อยนะมันยากนะกว่าจะเห็นว่าของดีเป็นตัวทุกข์เนี่ยลำพังของชั่วๆเป็นตัวทุ่งถูกง่ายวันนี้กําหนดหัวข้อ ให้หลวงพ่อเทศน์เรื่องอะไรนะเส้นทางสู่มันขามันขาก็แปลว่าเส้นทาง <c oughs> น่นงจะเส้นทางสู่อริยมรรคมากกว่านะเส้นทางที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพนะ้นพระพุทธเจ้าประทานไว้ใหนะ้เป็นเส้นทางที่ของคนที่ต้องพึ่งตัวเองเป็นเส้นทางของคนที่ต้องช่วยตัวเองไม่ใช่เส้นทางของการร้องขอให้สิ่งต่างๆมาช่วยเรา เป็นเส้นทางของคนที่ต้องใช้สติใช้ปัญญาอย่างมากมากและต้องมาพัฒนาเครื่องมือคือสติปัญญาให้มากเลยสติเป็นตัวรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจรู้ทันอย่างร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวน้นมีสติตัวปัญญาเป็นตัวเห็นไตรลักษณ์เข้าใจความเป็นจริงสตินั้นแค่รู้ทันกายรู้ทันใจที่มันเคลื่อนไหวอยู่ ปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคื อ, อไตรลักษณ์นี่แหละถ้าเราอยากจะก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นเราต้องมาพัฒนาเครื่องมือสองตัวนี้เป็นเครื่องมือประจำจิตใจของเราคือสติกับปัญญาขาดปัญญาไม่มีทางเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเลยมีสติอย่างเดียวไปไม่รอดเข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้ พระพระพุเจาบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ว่าปัญญาอยู่ๆเกิดได้ไหมไม่ได้นะปัญญาอาศัยสตินั่นแหละแล้วก็อาศัยสมาธิเป็นตัวหนุนกันขึ้นมาให้เกิดปัญญางั้นถ้าเราจะพูดกันให้เต็มที่เต็มยศจริงๆสิ่งที่เราต้องพัฒนาขึ้นมาคือสติกับสมาธิที่ถูกต้องแล้วปัญญาจะเกิดปัญญาเนี่ยเกิดจากการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง เราจะรู้ตามความเป็นจริงของกายของใจได้เราต้องรู้ด้วยจิตที่มีสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยที่ทุกวันที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเรามากมายนะือ ท, ทำไงเราจะพัฒนาสติพัฒนาสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาให้ได้ยากเย็นแสนเข็ด น, นะสอนใหม่ๆเนี่ยโหคนไม่เข้าใจนะแอนตี้หลวงพ่อเยอะเลยคิดว่าหลวงพ่อไม่สอนสมาธิจริงหลวงพ่อสอนสมาธิทั้งสองชนิดเลยนะ สมาธิมีสองประเภทสมาธิสงบกับสมาธิตั้งมั่นคนละเรื่องกันสมาธิสงบนะกี่ปีกี่ชาติก็สงบอยู่แค่นั้นนะไม่มีเดินปัญญาหรอกก็สงบนิ่งๆซึ้บู่ไปกบวันวันหนึ่งเท่านั้นเองหลวงพ่อทําสมาธิสงบอยู่ยี่สิบสองปีนะชำนานนะสมาธิไม่ใช่ทําไม่เป็นหรอกแต่ว่าทําแล้วมันไปต่อไม่ได้เกินมาวันหนึ่งมาเจอสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ไปดูพระเจานุกรมสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าตั้งมัน่นนั่นเราต้องแยกให้ออกนะสมาธิก็มีสองชนิดนี่ก่อนจะมาพูดเรื่องสมาธิเอามาพูดเรื่องสติก่อนเครื่องมือที่เราจะพัฒนานมีสองตัวนะสติกับสมาธิถ้าได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิปัญญาจะเกิดนะสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจ รู้ทันอะไรรู้ทันความมีอยู่ของกายความมีอยู่ของใจถ้าเมื่อไรเราลืมกายเราลืมใจนะเราก็มีสติโลกโลกมีสติในการทำงานทามาหากินมีสติในการขับรถมีสติในการเรียนหนังสือสติอย่างนั้นไม่พ้นโลกมันเป็นสติที่จะอยู่กับโลกสติที่จะพ้นโลกเขาเรียกสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็เป็นสติที่รู้กายสติที่รู้ใจตัวเอง เพรานเราต้องมาพัฒนาสติปัฏฐานสติที่รู้สึกกายสติที่รู้สึกใจสติสติเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรเราต้องดูก่อนเราต้องทำเหตุของสตินะสติถึงจะเกิดสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นเลยถ้ามีเหตุมันก็มีถ้าไม่มีเหตุมันไม่มีถ้าเราไม่ได้ทำเหตุที่ถูกต้องของสติจ้างให้สติก็ไม่เกิดอ้อนวอนยังไงสติก็ไม่เกิดบังคับยังไงสติก็ไม่เกิด เราต้องทำเหตุขอสติให้ได้อยา่างเราจะอยากได้ข้าวเราก็ต้องไปทำนาทำเหตุให้ถูกอยากได้ข้าวเดีวไปปลูกมะม่วงไม่ได้ข้าวทันทีอยากได้มะม่วงไปทำนาไม่ได้มะม่วงทันทีให้เราต้อง e, <ไป S 1> ทาเหตุของสติให้ถูกเหตุขอสติเรียกว่าธิระสัญญาธีระสัญญาธีระหมายถึงคนไทยใช้คาว่าเสถียรมั่นคงแน่วแน่เ่ยธีระสัญญาการจําได้อย่างมั่นคง ไม่คลอนแคลนจำได้แม่นนะภาษาไทยง่ายๆจำได้แม่นถ้าเราเห็นสภาวะธรรมต่างๆแล้วเราจำสภาวะธรรมได้แม่นสภาวะใดที่จิตใจเราจำได้แม่นแล้วเนี่ยพอสภาวะอ น, นั้นเกิดเนี่ยสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตนะิไม่มีใครสั่งให้สติเกิดได้นะพระสติเป็นอนัตตาอยู่ๆบอกสัง่งให้จงมีสติ่เดี๋ยวนี้ตามข้างถนนเริ่มมีป้ายขับรถมีสติอะไรเงี้ย สั่งได้ที่ไหนไมันต้องฝึกขึ้นมาสิต้องทําเหตุของสติขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้าเราจะมีสติปัฏฐานนะเหตุของสติก็คือเราต้องจํากายจําใจของตัวเองให้แม่นนะร่างกายเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยเรารักที่สุดเลยนะแต่เราลืมมันตลอดเวลาเลยเราละทิ้งมันตลอดเวลาใจเราชอบหนีออกไปที่อื่นไม่ย้อนมาดูกายไม่ย้อนมาดูใจของตัวเองเราลืมมันตลอดเวลา ทำไมจิตใจเราไม่ยอมย้อนมารู้สึกกายรู้สึกใจมีสติอยู่กับกายกับใจเพราะมันคุ้นเคยที่ออกไปข้างนอกมันสนใจที่จะดูรูปข้างนอกมากกว่าที่จะรู้ทันตาของตัวเองมันสนใจที่จะฟังเสียงข้างนอกนะมากกว่าที่จะสนใจที่จะรู้ถึงผูวของตัวเองมันสนใจกลิ่นมากกว่าจะสนใจจมูกของตัวเองมันสนใจรดรถมากกว่าสนใจลิ้นของตัวเอง สนใจสิ่งที่มาสัมผัสน่ยมากกว่าสนใจร่างกายของตัวเองยกตัวอย่างเวลายุงกัดเนี่ยสนใจร่างกายหรือสนใจยุงสนใจยุ่งทําไมใจเราชอบออกนอกมันสนใจเรื่องราวที่คิดไม่สนใจจิตตนเองสรุปก็คือมันชอบไปสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในปุถะพระในธรรมรมทั้งหลายมันไม่สนใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้มันออกนอกไปตลอดเลย ทำไมมันออกนอกเพราะมันถูกฝึกมาอย่างนั้นพวกเราเวลาไปเยี่ยมคนออกลูกเขามีเด็กแดงๆรู้สึกไหมเราเจอเด็กแดงๆเราจะชอบจ้าเอ๋จ้าเอ๋เราก็เราฝึกให้เด็กส่งจิตออกนอกเด็กก็เอ๊อออกไปใช่ไใจออกนอกแล้วเกิดใหม่ๆก็ถูกสอนให้ออกนอกแล้วแล้วมันจะรู้ตัวได้ไงใครเคยทำแบบนี้บ้างมีกรรมต้องมีวิบาก ต้องเตรียมรับชะตากรรมนะว่าใจชอบออกนอกแล้วเราไปทําให้คนอื่นเข อ, ออกนอกใจเอ๋ใจเอ๋ใจเอ๋ไหมเด็กเห็นไหมจจจใจเอ๋ใจเอ๋ใจก็ไปข้างนอกนะเราไม่ชินที่จะกลับมารู้กายรู้ใจตัวเองนะงั้วเราต้องมาสร้างความเคยชินใหม่คอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆร่างกายหาย ใ, ใจออกคอยรู้สึกร่างกายหาย ใ, ใจเข้าคอยรู้สึก ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเคยรู้สึกนี่ค่อยย้อนกลับมารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่จิตใจจิตใจเป็นสุขรู้สึกจิตใจเป็นทุกรู้สึกจิตใจเฉยเฉยรู้สึกจิตใจเป็นกุศลรู้สึกจิตใจโลภหลุดหลงรู้สึกค่อยสนใจนะย้อนกลับมาดูที่กายที่ใจบ่อยๆจิตไม่ได้เคยชินใหม่แต่เดิมนั้นเคยชินออกนอกสนใจแต่รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพธรรมร เราเข้ายามน้อมมันกลับมาให้สนใจตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือกายใจคือส่วนของจิตใจนะย้อนมารู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆย้อนมารู้สึกอยู่ในจิตใจบ่อยๆร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเนะนี่ยพอเรารู้สึกอย่างนี้บ่อยๆนะต่อไปเวลาเราเผลอขาดสติ เราเกิดขยับตัวนะขยับตัวคลิกเดียวเนะี่ยไม่ได้เจตนาที่จะให้สติเกิดนะสติจะเกิดเองมันจะรู้สึกว่าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยเพราะมันเคยชินที่จะรู้นะเนี่ยเราต้องมาสร้างความเคยชินอันใหม่ให้มันมาย้อนกลับมาหาตัวเองจิตใจก็เหมือนกันจิตใจเราชอบล่องลอยไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาลเราก็ต้องมาพัฒนาจิตใจมีความสุขคอยรู้จิตใจมีความทุกข์คอยรู้จิตใจเฉยเฉยคอยรู้หัดรู้ไปบ่อยๆ จิตใจเป็นกุศลรู้ใจิตใจเป็นอกุศลรู้อย่างบันทีก็อยากฟังธรรมวันไหนอยู่บ้านอยากไปวัดฟังธรรมไปนั่งฟังธรรมที่วัดนม่อยากกลับบ้านนะเกิดนี้ใจหนีไปหนีมานะคอยรู้ทันมันเข้าไปใจิตใจเป็นกุศลอยู่ได้แป๊บเดียวนะอกุศลก็เอาไปกินแล้ววันนี้ตั้งใจจะนั่งสมาธิสักชั่วโมงนั่งไปสิบนาทนะีเอาทางสายกลางก็แล้วกันเอาครึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงเนะี่ย ตั้งใจไว้หนึ่งชั่วโมงเอาครึ่งหนึ่งเนี้ยเด็กทางสายกลางนะแล้วแต่เดี๋ยวก็ครึ่งของครึ่งกันได้นะเนี้ยกุศลนันมีแป๊บเดียวน ะ, ะอกุศลก็เข้าไปกินเองเราต้องมาค่อยๆรู้ทันนะจิตเป็นกุศลรู้ทันจิตเป็นอกุศลรู้ทันค่อยรู้ไปเรื่อยมันจะยากอะไรทุกคนรู้จักอยู่แล้วโลคเป็นไงก็รู้จักโกรธเป็นไงก็รู้จักหลงเป็นไงก็รู้จักฟุ้งซ่านหดหู่เป็นไงเรารู้จักทุกอย่างแต่เราล่าเลยที่จะรู้ ให้ความสนใจกับร่างกายให้ความสนใจกับความรู้สึกในใจของตัวเองบ่อยๆนะต่อไปสติจะเกิดเองเช่นเราไปคุยกับลูกค้าลูกค้าคนนี้โยเยมากเลยเรียกร้องสูงนะซื้อประกันก็ซื้อนิดเดียวนะแต่ว่าเรียกร้องเยอะมากเลยอย่างงี้นะในใจเราหงุดหงิดหงุดหงิดเรารู้ทันใจที่หงุดหงิดหัดดูอย่างเนี้ยต่อไปนะกลับมาบ้านแม่บ้านเราพูดอะไรใจหูได้ยินเสียง ใ, ใจหงุดหงิดเราเห็นอย่างรวดเร็วเลย ความหงุดหงิหายไปนะหน้าตาเรายิ้มย่องผ่องใสมีความสุขได้นะนี่เราค่อยๆฝึกนะเพื่อให้สติมันเกิดให้จิตมันเคยชินให้จิตมันเคยชินที่จะมารู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวหัดรู้สึกบ่อยๆต่อไปพอเราเผลอพอเราเกิดเคลื่อนไหวขึ้นมาจะรู้สึกขึ้นมาได้จะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายจิตใจนะั้นเราค่อยดูมันบ่อยๆต่อไปจิตใจโลภโกรธหลงความรู้สึกใดๆแปลปลอมขึม้นมานั้นมันรู้สึกขึ้นไดเองเนี่มันมีสติ แล้วนะมันรู้ขึ้นมาได้เองโดยไม่ได้เจตนานจะรู้สติไม่ได้เกิดจากการบังคับให้รู้นะไม่มีใครบังคับจิตให้เกิดสติได้สติเป็นอนัตตาเราทําเหตุไปเรื่อยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยสภาวะที่เราต้องรู้ก็คือกายกใจเพราะสติที่เรามุ่งจะทำนั่นคือสติปัฏฐานสติรู้กายรู้ใจนะถ้าเราจะทําสติอยู่กับงานก็ จ, จดจ่ออยู่กับงานไปอย่างเดียวนะจำงานได้แม่นยำเลยฝันถึงงานเลยอนยะ่างเงี้ยจดจอ่อไอ้นั้นสติออกนอกสติอยู่กับโลก เนี่ยเราพยายามมาทําให้มีสติตัฐานสติรู้กายสติรู้ใจรู้บ่อยๆแล้วมันจะจําสภาวะได้แม่นนะร่างกายโกรธเปเนี้ยจิตใจโกรธไปเนี้ยรู้ปั๊บเนี่ยมันเห็นนะร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไปเนี้รู้สึกปับ๊บมันจะเห็นเองจะรู้ตัวขึ้นมาเนะนี่ยเป็นเครื่องมือตัวแรกนะสติเนี่ยเราจะเอาไว้สํารวจว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในกายตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในใจนะนี่เป็นตัวที่หนึ่งที่เราต้องพัฒนา ถ้าเราไม่มีสตนะิเราไม่มีอะไรเหลือเลยคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยไม่เหลือเลยเพราะสติเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงถ้าเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อนั้นจิตเป็นอกุศลแน่นอนเลยขณะที่เราใจลอยลืมกายลืมใจเนี่ยอกุศลหรือเปล่มีโมหะนะจิตฟุ้งซ่านนะขณะนั้นนะงั้นเมื่อไหร่ไม่มีสตินะัเมื่อนั้นอกุศลเราไปกินหมดเลยงั้นใจของเราวันนึงมีสติสักเท่าไหร่นึกออกไหม โอกาสที่เราจะไปสุขติกับทุขติอะไรจะเยอะกว่ากันเพราะอะไรเพราะใจเราคุ้นเคยกับกับอกุศลคุ้นเคยกับความฟุ้งซ่านรู้สึกไหมใจเราฟุ้งทั้งวันนะสัตว์ถึงเยอะไปด้วยโมหะพวกสัตว์ในราฉานอยู่กันฝูงให ญ, ใหญ่ใช่ไหมอยู่กันฝูงโ ต, โตโตสัตว์เยอะนะคนน้อยกว่าสัตว์อีกเพราะว่ามันไม่มีสติมันไปเกิดเป็นสัตว์ ไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันหลงไปแล้วพยายามนะพยายามมารู้สึกตัวรู้สึกตัวฝึกบ่อยๆนี่ได้เครื่องมือตัวหนึ่งก่อนละเป็นตัวคอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใกายในใจเครื่องมือตัวที่สองคือสมาธิสมา ธ, สมาธิมีสองชนิดนะสมาธิชนิดที่หนึ่งชื่ออารัมมณูปนิชฌานจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิชนิดที่สองชื่อลักขณูปนิชฌานนะจิตตั้งมั่นอยู่ เราเห็นความเปลี่ยนไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายที่กำลังไหลผ่านหน้าไปนะสมาธิสองชนิดนี้ไม่ใช่หลวงพ่อสอนมาคนแรกนะในตำรับตำลามีเรื่องสมาธิสองชนิดเนี่ยแต่คนไม่ค่อยเรียนกันนึกถึงแค่การปฏิบัติทีไรก็ไปนั่งหลับหูหลับตาทำสมาธิให้จิตนิ่งไว้ก่อนคิดว่าสงบไปได้เลเราปัญญาจะเกิดไม่มีวันเกิดเลยนะ ถจิตสงบนั้นจิตได้พักผ่อนจิตมีความสุขปัญญาจะไปเกิดได้ไงจิตมันนอนพักอยู่ปัญญามันเป็นดอกผลของการปฏิบัติงา น, นการเจริญปัญญางั้นอยู่ๆไม่เจริญปัญญาแล้วปัญญาจะเกิดได้ไงเอาแต่พักผ่อนเหมือนอย่างพวกเราอยากรวยนะแต่พักผ่อนจังเลยไม่ยอมทํางานเลยไมนจะรวยได้ไงเพงั้นเราอยากมีปัญญานะเราก็ต้องพัฒนาขึ้นมานะมีสมาธิชนิดที่กระพรี่กับเป๋าตั้งมั่น เห็นกายเห็นใจนี้ทํางานได้ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติก็สอนสมาธิสองชนิดนี้หลวงปู่เทศน์สอนมานานแล้วตั้งแต่หลวงพ่อยังทําสมาธิได้แบบเดียวหลวงพ่อทําสมาธิแบบสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยได้ตั้งแต่7จ็ดขวบนะแต่ว่าทําอยู่อย่างนั้นจนอายุ29่สิบเ้เจอครูบาอาจารย์ไปหาหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศก็สอนสมาธิสองชนิด สมาธิชนิดที่หนึ่งท่านเรียกว่าฌานสมาธิชนิดที่สองเรียกว่าสมาธิท่านบอกฌานเนี่ยมันสงบอยู่ในอารมณ์มเดียวสมาธิมันตั้งมั่นพิจารณาอารมณ์ได้เนี่ยท่านสอนต่อมาไปอ่านตำราอภิธรรมนะถึงรู้ว่าคําว่าฌานของท่านนะ่ะมันคือคําว่าอารามณูปนิชฌานะคำที่ถูกต้องคําว่าสมาธิของท่านนะ่ะมันคือคําว่าลักขณูปนิชฌานเะนี่ยเราต้องมาฝึก สมาธิที่คนส่วนใหญ่ฝึกนั้นมันเป็นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวพุโทโธจิตก็สงบอยู่กับพุโทโธรู้ลมหายใจจิตไปสงบอยู่กับลมหายใจดูท้องผองยุบจิตไปสงบอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เทา้าจิตไปอยู่ในที่ที่เดียวอยู่ในจุดจุดเดียวคอนเซนเทรตลงไปนั่นแหละสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์จิตเป็นหนึ่งไม่วอกแวกจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะวันบายวัน ถ้าวันไปวันเมื่อไหร่รู้เลยนะเนี่ยคือสมาธิชนิดพักผ่อนสมาธิชนิดที่จิตเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิชนิดนี้มีประโยชน์ทําให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงกรรับพี่กระเปล่าคล้ายๆร่างกายเราได้นอนพักจิตใจได้นอนพักนะแข็งแรงจิตใจแข็งแรงเหมือนอย่างร่างกายได้นอนพักเนี่ยร่างกายแข็งแรงขึ้นทําแล้วแข็งแรงแล้วรวยไหมยังไม่รวยใช่ไหมจิตใจได้พักผ่อนน่าจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดหรอก ลนกันยังไม่ใช่ระดับที่จะเกิดปัญญานะอย่างเราพักผ่อนพอแล้วเราก็ออกมาทำมาหากินใช่ไหก็ได้เงินได้อะไรมาเราก็รวยขึ้นมาจิตใจก็เหมือนกันพักผ่อนพอสมควรแล้วต้องออกมาเดินปัญญามาฝึกสมาธิอีกชนิดหนึง่งสมาธิชนิดนี้อาภาัพที่สุดนะแต่เป็นสมาธิที่สำคัญที่สุดอรมาโนวิชชาสมาธิชนิดที่หนึ่งที่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเอาไว้ทาสมถกรรมฐาน แต่ลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่อหน้าต่อ ต, อตาทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมเนะี่ยลักขณูปนิชฌานเนี่ยเกิดในสมที่อันที่หนึ่งเกิดในขณะแห่งวิปัสสนากรรมฐานสมาธิที่ใช้ทําวิปัสสนาเนีคือลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์เรียกลักขณูปนิชฌาน จุดที่2ที่จะมีลักขณูปนิชฌานคือขณะแห่งอริยมรรคจุดที่3ที่มีลักขณูปนิชฌานนะคือขณะแห่งอริยผลเพราะฉะนั้นในวิปัสสนาในอริยมรรคในอริยผลเนี่ยใช้ลักขณปนิชฌานไม่ได้ใช้อารมณูปนิชฌานอารมณูปนิชฌานนั้นเป็นฌานที่1 23456 78สลักขณูปนิชฌานก็1 2ึ่งสองเเหมือนกันแต่ว่าความต่างอยู่ตรงนี้ ตรงที่อารมณูปนิชฌานเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปจับที่ตัวอารมณ์ในขณะที่รักขณูปนิชฌานเนี่ยจิตมันตั้งมั่นเหมือนคนดูหนังแล้วไม่วิ่งเข้าไปในจอหนังส่วนเอ๊พวกอารมณูปนิชฌานดูหนังเนี่ยโดดเข้าไปจับรูปในจอตะครุบตะครุบเงาเลยนะโดนหลอกจิตมันโดนหลอมโดนไล่ตะครุบอารมณ์ต้องมาค่อยๆสังเกตดูทำยังไงมันจะเกิดสมาธิสองชนิดนี้ วิธีให้เกิดสมาธิชนิดที่หนึ่งที่เอาไว้พักผ่อนเนี่ยก็คือหัดน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องพุโทโธพุโทโธนะเราก็ไปรู้พุโทโธอย่างมีความสุขหายใจไปก็รู้ลมหายใจไปอย่างมีความสุขดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปอย่างมีความสุขเคล็ดลับของการทําสมาธิให้สงบนะอยู่ที่ความสุขถ้าจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์ันใดจิตจะไม่วิ่งพลาดไปหาอารมณ์ออื่นนี่คือเรื่องธรรมดา น, นั่นเอง ทำไมจิตเราฟุ้งซ่านถ้าจิตเราเที่ยวหาความสุขไปทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจวิ่งพล่านตลอดเวลาจิตมันหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเราหาอารมณ์กรรมฐ า, านที่มีความสุขมาล่อมันจิตก็จะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของการทําสมาธิชนิดแรกนะให้มีความสุขความสงบไว้มีความสุขเลือกอารมณ์ที่มีความสุขใครพุโทโธแล้วมีความสุขก็พุโทโธไปแล้วจิตจะสงบเองจิตสงบเอง เราบังคับจิตให้สงบได้ไหมได้เหมือนกันถ้าชำนาญเป็นว่าสีแล้วนะแต่ตอนหัดใหม่ๆยังไม่ได้หรอกไปบังคับแล้วยิ่งเครียดเคลดลับที่จะทำสมาธิให้เกิดความสงบก็คือให้มีความสุขหายใจไปใหญ่มีความสุขทำให้ดูก็ันเนี่ยจิตก็เป็นสมาธิดูทันไหม <laughs> ว่ายากเลยเลยนะ <laughs> เคลดลับอยู่ที่ความสุข แล้วทำไงเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยเคล็ดลับเห็นไหมวันนี้สอนแต่เรื่องเคล็ดลับนะเคล็ดลับในการมีสติก็คือหัดรู้สภาวะบ่อยๆรูปธรรมนามธรรมเคล็ดลับในการที่จะมีสมาธิชนิดสงบก็คือน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขเคล็ดลับที่จะให้จิตตั้งมั่นก็คืออาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น จิต ท, ที่เคลื่อนไปจิตเราจะเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาจิตนั้นะมีธรรมชาติส่งออกนอกหลวงปู่ดูลบอกอย่างนี้เลยนะโยเว้นพล า, ารหันนะพลาดหันจิตจะไม่มีการไปการมาอีกแล้วสเสถียรอยู่งันะ้นนะแต่เกิดดับนะไม่ใช่เที่ยงนะแต่ว่าไม่ส่งไปส่งมาของเราจะส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดูรูปก็อินกับรูปไปได้ยินเสียงก็ อ, อินไปกับเสียงไปคิดก็อินไปกับความคิดใจมันไหลไป วิธีที่เราจะสร้างสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะก็ ค, คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนเหมือนอย่างที่เคยทำสมาธาแหละเคยพุโทโธเราก็ใช้พุโทโธต่อไปเคยหายใจก็ใช้หายใจต่อไปดูท้องพองยุบก็ดูต่อไปขยับมืออย่างหลงพเทียนก็ขยับต่อไปแต่ขยับแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตนะถ้าจะทำสมาธิอย่างแรกไปพุโทโธน้อมจิตให้อยู่กับพุโทโธ ถ้าจะรู้ลมหายใจน้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจอย่างมีความสุขได้สงบน้อมจิตจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์อันเดียวหรือนะเรียกว่าอารถมโนปนิชฌานแต่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นรักขณูปนิชฌานเนี่ยทำกรรมฐานเหมือนเดิมนะแต่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปอันแรกน้อมจิตให้เคลื่อนไปนะแล้วไปอยู่ที่เดียวอันที่สองเนี่อรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตของเราจะเคลื่อนออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งวันเลย หนีทั้งวันแล้วทําไงมันจะจะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเรารู้ทันมันจะตั้งมั่นถ้าเรารู้ว่าจิตวิ่งไปทางตาจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติถ้ารู้ว่าจิตวิ่งไปทางหูจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติแต่ถ้ามันมีทั้งหกช่องดูยากฝึกอันเดียวพอฝึกที่ใจจิตเราเนี่ยหนีไปคิดทั้งวันนะหนีไปคิดบ่อยที่สุดเลยไปดูรูปจิตก็คิดไปได้ยินเสียงจิตก็คิดอยู่ดีๆไม่มีรูปไม่มีเสียงจิตก็คิ ด, ค ด, ค ด, คดได้อีก งั้นจิตคิดนี่เป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดงั้นเรามีสติแลรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดทันทีที่เรารู้ว่าจิตคิดเนี่ยจิตคิดจะดับจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนี่เป็นเคล็ดลับนะวันนี้เทกระเป๋าเทย่ามให้สอนแต่เคล็ดลับเท่านั้นเลยตำรับตำรากรรมฐานเนี่ยใครใครเขาก็เรียนกันมีหมดในวิสุทธิมรรคน่ยจะทําฌานทํากรสินทําอะไรสอนสมถาวิปัสนามีหมดเลยแต่ทําไม่ได้เพราะอะไร มีแต่คำพีไม่มีเคล็ดวิชาวันนี้สอนเคล็ดวิชาให้เรานะเออทำไม่ได้ก็โง่สุดๆแล้วหรอนี่แหละเคล็ดวิชานะกว่าจะได้มายากนะ <S <S 1> <S 1> นเคล็ดวิชาที่จะได้จิตที่ตั้งมั่นก็คือรู้ทันจิตที่ไหลพุทโธพุทโธจิตไหลไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไหลไปเพ่งจิตนิ่งๆอยู่รู้ทันรู้ลมหายใจไปจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทัน ดูท้องผ่องยุบนะจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันขยับมือนะจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไปอยู่ที่มือรู้ทันเตือนจงกลมนะจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปอยู่ที่เท้ารู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติงัครูบาอาจารย์ท่านสอนด้ยหลวงปู่ดูลย์ก็สอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้หยุดคิดทําไมถึงรู้รู้อะไรหยุดคิดแล้วเดีเราได้ตัวรู้มาแต่ตรงที่หยุดคิดเนี่ยยังไม่ได้ทำที่ปัสนานะ แค่ได้จิตรู้เท่านั้นจิตรู้คือจิตที่มีสมัธิยังไม่ได้เจริญปัญญาเหมือนหลวงพ่อเทียนก็สอนนะว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติบางคนพอได้ยินว่าอย่างนี้นัก็เลยคิดว่าถ้าจิตหยุดคิดจะเป็นพระโสดาไม่ใช่ท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางอะไรเป็นต้นทางคือได้จิตรู้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราถึงจะ จเจริญปัญญาได้ถึงจะเริ่มลงมือทำวิปัสนาได้ถ้าจิตเรายังไม่ตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุบัดยังทำวิปัสนาไม่ได้จริงได้แต่วิปัสนึกนึกๆเอาเองนะไม่มีทางหรอกที่จะบรรลุมรรคผล น, น, นิพพานงั้นอย่างเราทำสมาธิสงบนะพุโทโธพุโทโธสงบแล้วพิจารณากายนะพิจารณากายคิดไหมพิจารณากายยังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสนาหลวงพ่อพุธเคยสอนเลยนะบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมด ความตั้งใจวิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดเมื่อหมดความคิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดตัวรู้ขึ้นมาแทนะการสร้างตัวรู้นั้นสร้างได้สองแบบอันหนึ่งเข้าฌานะหลวงพ่อไม่มีเวลามากนะเขาก็เอาย่อๆทาฌานไปนะพอถึงฌานที่สองจิตมันมันคลายพิตกคือการตรึกในแสงสว่างดวงปฏิภาคนิมิตจิตมันคลายวิจารณ์ไม่ไปเคล้าเคลียกับดวงปฏิภาคนิมิตจิตจะทวนเข้ามา ถึงเอโกที่ภาวะเพราะฉะนั้นในทุติยชานเนี้ยตัวรู้จะเกิดขึ้นเด่นดวงขึ้นมาออกจากสมาธิมาแนละ้วตัวรู้เด่นอยู่ได้ทั้งวันเลยอยู่ได้หลายๆวันด้วย น, ะนี่เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะก็คือใช้คณิกะสมาธิเรารู้ทันจิตที่ไหลไปเป็นขณะขณะแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นเป็นขณะขณะแต่ว่าตั้งทีละเล็กเล็กเนี่ยให้มันตั้งบ่อยๆนะมันจะรู้สึกว่าตั้งได้นานขึ้นนานขึ้น ไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกคทั่วไปจิตไหลแวบไปคือจิตนี้ไปคิดเนี่ยยังไม่รู้สึกนะมันต้องแวบเช้ายันเย็นเลยยังไม่รู้สึกเลยก็มีนะนี่เราฝึกนะจิตไหลปั๊บรู้สึกปั๊บรู้สึกไม่บังคับว่าห้ามไหลถ้าบังคับเนี่ยจะตึงเกินไปถ้าไหลแล้วไม่รู้ทันเนี่ยหย่อนเกินไปนะทางสายกลางก็คือไหลเรารู้ไหลเรารู้รู้ไวๆแค่นั้นเอง ถ้าเราฝึกได้จิตที่สรงสมาธิมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงที่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเข้าใยินไหมผู้โทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นถ้าเรายังไม่มีผู้โธเรายเดินปัญญาไม่ได้หรอกนะบางฝนนิพพานเลยฝันไปเะไม่มีทางถึงเลยงั้นเรามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ให้ได้เมื่อจิตเป็นผู้รู้แล้วอย่ารู้ตัวอยู่เฉยอาศัยสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของกายของใจไปโดยที่มีจิตเป็นคนดู จิตไม่อินเข้าไปเห็นร่างกายหายใจจิตไม่อินเข้าไปในร่างกายมันจะดูอยู่ห่างๆมันจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราปัญญาจะเกิดขึ้นนะเห็นเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกยืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งเราก็นอนเราเปลี่ยนอิเดียบทไปเรื่อยร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งนะร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย นี่เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นในร่างกายนี่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ปวดก็เมื่อยนะยืนเดินนั่งนอนมีเแต่ความทุกขบีบคั้นตลอดวันตลอดคืนเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าเจริญปัญญาร่างกายเป็นแค่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าเห็นร่างกายเป็นแค่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาคือเห็นความเป็นอนัตตาของร่างกายนะเนี่เราเห็นอนิจจังก็ได้นะเห็นทุกขังเห็นอนัตตาอันใดอันหนึ่งก็พอแล้ว ถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้นะใจจะเริ่มคลายเริ่มคลายความเห็นผิดเบื้องต้นของการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะล้างความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรามีตัวเราอยู่ะจะล้างความเห็นผิดเรื่องว่ามีตัวเราเบื้องปลายเนี่ยจะล้างความยึดถือเบื้องต้นล้างความเห็นผิดนะเบื้องปลายจะล้างความยึดถือที่เรายังทุกข์อยู่เวลาร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายเนี่ยเพราะเรายึดถือในร่างกายมันกายของเรา แต่ถ้าเราเห็นความจริงเป็นวัตถุวัตถุมันแก่วัตถุมันเจ็บวัตถุมันตายเราไม่เดือดร้อนนะใจจะไม่ทุกไปด้วยเลยและถ้าใจมันเดินปัญญาไปถึงจุดเห็นใจรักของกายบ่อยๆนะถึงวันหนึ่งมันจะรู้เลยกายนี้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเพราะฉะนั้นมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราไม่เดือดร้อนเลยจิตใจก็เหมือนกันจะสมหวังจะผิดหวังจะพลัดพลากจากสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักอะไรนี้คนอื่นเขาทุกข์กันนะแต่เราไม่ทุก เพราเรามาเห็นอยู่ที่จิตใจของเราเนืองๆจิตใจเราก็มีแต่ของไม่เที่ยงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายรู้สึกไหมส่วนมากไม่ใช่คุ้มดีคุ้มร้ายหรอกคุ้มดีคุ้มร้ายคุ้มร้ายคุ้มร้ายนานๆคุ้มดีทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูไปเรื่อยไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขแต่ฝึกให้เห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงทุก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยง ฝึกให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเลยนะเนี่ยเฝ้าดูอย่างนี้เรียกว่าเจริญปัญญานะดูให้เห็นความจริงของกายดูให้เห็นความจริงของใจความจริงของกายก็มีแต่อันนิจจังทุกขังอนัตตาความจริงของจิตใจก็มีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาไปหัดดูเข้าถ้าเราคอยรู้ทันใจบ่อยๆนะเราก็เห็นความสุขมาแล้วความสุขเข้าไปความทุกมาแล้วความทุกเข้าไปความเฉยๆมาความเฉยๆเข้าไปเนี่ยหัดดูไปเรื่อยสุดท้ายมันก็จะเห็นเลยว่าทุกอย่างชั่วคราว ความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความเฉยๆก็ชั่วคราวนี่เห็นอนิจจังนะความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้ความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้นะความเฉยๆก็ทนอยู่ไม่ได้กูศอนอกูสอนทนอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นทุกข์นะเราเห็นอะไจิตจะดีจิตจะร้ายจิตจะสุขจิตจะทุกข์เราสั่งไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเนี่ยเฝ้าดูลงไปนะเบื้องต้นมันจะละความเห็นผิดว่ามันมีตัวมีตนเราเห็นเน่กายนี้เกิดดับตลอดเวลาไม่ใช่ตัวใช่ตน จิต น, นี้เกิดดับตลอดเวลาไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นอย่างนี้ก็ได้ธรรมะเบื้องต้นนะเป็นพระโสดาบันคารวะได้โสดาบันเยอะแยะไปนะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเลยไปดูพระไตรปิฎกนะมีคารวะได้โสดาเยอะแยะไปไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยไม่ใช่คนอินเดียยุคนนท์เก่งกว่าเราไม่ใช่นะเพียงแต่พวกเราได้ยินธรรมามากไปคล้ายๆเชื้อโรคมันดื้อยอากรรมฐานเยอะมากเลยเดีย๋ยวนี้ไหมนุ่นกับกรรมฐานนี่กับกรรมฐาน ถูกมั่งผิดมั่งมั่วมั่งอะไรบัางไม่ได้สมัยโน้นเรียนจากพระพุทธเจ้ า, จามันไม่คาดเคลื่อนเป๊ ะ, เ ป, ะเป๊ะเลยก็ง่ายเขาก็มีบุญกว่าเราอ่ะนะเขาเจอพระเจ้าจริงไหมเจอพระเจ้ามีบุญจริงไหมไม่แน่เทวทัศน์ก็เจอ <laughs> <laughs> อย่าโดนหลอกง่ายๆนะเนี่ยหัดดูนะหัดดูไปจนวันหนึ่งมันเห็นกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรา ได้พระโสดาบันตัวเราไม่มีหัดดูต่อไปกายนี้ทุกลุ่นล้วนจิตจะสลัดคืนกายให้โลกจิตนี้ทุกลุ่นล้วนจิตจะสลัดคืนจิตให้โลกไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือสิ่งใดแล้วสิ้นสุดความทุกข์กันตรงนั้นแหละเมื่อตอนจะเข้าพรรษาในหลวงพ่อไปกราบพระอุปชาอุปชาหลวงพ่อนนั้เป็นหลานหลวงปู่ดุลอยู่กับหลวงปู่มานั้งสี่สิบกว่าปีตั้งแต่ท่านเล็กๆหลวงปู่ไปพาท่านมาบวชพ า, าออกจากบ้านมาบวช ท่านเปนหลวงปู่เป็นลุงหรือเป็นอะไรเนี่ยไปกราบอุปชารนะำเนียมพระจะเข้าพรรษานี่ก่อนจะเข้าไปกราบอุปชานะหลวงพ่อไปเยี่ยมพระอยู่งค์ไปกราบพระอยองค์ท่านทันหลวงปู่ดุลนเหมือนกันแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยท่านไปหาหลวงปู่ดุลนหลวงปู่ดุลนสอนท่านนะบอกว่าจะปล่อยวางเนะี่ยไม่เห็นยากอะไรเลยนะเนี่ย เห็นทุกนะเห็นทุกเห็นโทษนะท่านชี้สองทีเห็นทุกเห็นโทษนะทาไมสองทีกายนี้ใจนิ่งเห็นทุกเห็นโทษของกายของใจนี่แหะมันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกหน้าที่สวดแห่งทุกอยู่ตรงนั้นตรงที่ไม่ยึดถือกายยึดถือใจนั่นแหละทําไมไม่ยึดถือได้เพราะว่าเห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกใจนี้เป็นตัวทุกอย่างเราให้เราไปหยิบฐานไฟแดงๆเราไม่หยิบใช่ไหมเรารู้ว่าเป็นตัวทุกเราไม่หยิบ เห็นขี้หมาอยู่เอามือไปหยิบไม่เอามันเป็นของไม่ดีถ้าเมื่อไหร่เราเห็นกายเราเหมือนก้อนขี้หมาเห็นใจเหมือนก้อนขี้หมานะหรือเหมือนฐานไฟแดงๆมันจะไม่หยิบของมันเองนั้นเมื่อไร่มีปัญญาแจ่มแจ้งนะเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เนี่ยความอยากที่จะเข้าไปยึดถือกายยึดถือใจจะไม่เกิดขึ้นอีกความอยากไม่มีนั้นเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อนั้นละสมุทัยได้เด็ดขาดเมื่อนั้นละทีเดียวไม่ต้องละสองที อย่างพวกเราเวลามีความอยากเกิดขึ้นใช่ไหมรู้ทันเดี๋ยวเขาหายไปเดี๋ยวเขาอยากอีกแล้วอันนี้มันยังล้างไม่แจ่มแจ้งถ้าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความอยากจะไม่มีขึ้นมาเลยอัตโนมัติเลยจะอยากอะไรทุกวันนี้ที่อยากก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็เมื่อเห็นความจริงแล้วว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์จะไปอยากให้มันสุขได้ไงจะไปอยากให้มันพ้นทุกข์ได้ไร้เดียงสานะเพราะอยู่ที่ปัญญานะ ถ้าปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจแจ่มแจ้งแล้วว่าเป็นตัวทุกเนี่ยมันจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจที่สุดแห่งทุกอยู่ตรงนั้นแหละนะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกนี่แหละเส้นทางสู่อริยมรรคะนี่ตั้งว่ามันคาไม่ถูกเส้นทางสู่มันค า, ามันคาก็คือเส้นทางเส้นทางไปสู่เส้นทางัน้นเรามาพัฒนานะเวลาที่ เดินปัญญาอยู่ทำพิพัฒนาอยู่จิตเป็นคนดูเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานตอนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิแต่เป็นอัปปนาสมาธิในลักคณูปนิชฌานจิตเป็นหนึ่งอยู่เนี่ยสติระลึกรู้จิตจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่จิตปัญญาแทงทะลุจิตว่าจิตเนี้ยตกอยู่ใต้ใจลักทั้งหมดเนี่ยนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยประชุมลงที่จิตในจุดเดียวกันเลย มันไปชุมลงได้ด้วยอํานาจของลักคนูปนิชฌานนั่นแหละลัคนูปนิชฌานเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ที่ท้องแต่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตถ้าเมื่อฝึกสติสมาธิอะไรสมบูรณ์นะปัญญาสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะรวมลงที่จิตดวงเดียวนะสติก็จะระลึกรู้จิตโดยที่ไม่เจตนาระราลึกจิตรวมลงที่จิตโดยไม่เจตนารวมปัญญาก็จะเห็นความเกิดดับภายในจิตโดยที่ไม่ได้เจตนาจะเห็น สติสมาธิปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วนะอริยมรรคถึงจะเกิดถ้าไม่อัตโนมัติยังไม่เกิดออกถ้าไม่อัตโนมัติยังมีความจงใจถ้ามีความจงใจจิตจะสร้างพบเพราะความจงใจในภาษาแขกเรียกว่ามโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนาเป็นปัจจัยเป็นอาหารปัใจจัยให้เกิดการจะทํากรรมคือการสร้างพบของจิตนั่นเองแล้วเราต้องฝึกจนกระทั่งสติสมาธิปัญญาอัตโนมัตินะมันถึงจะได้ผลถึงจะล้างกิเลส จ, จริงๆ คุณงามความดีกุศลทั้งหลายมันจะไปประชุมลงที่จิตดวงเดียวนะั้นในตำราถ้าจะพูดบอกสมาธิเนี่ยเป็นภาชนะสัมมาสมาธินะไม่ใช่สมาธิทั่วไปสัมมาสมาธินี่เป็นภาชนะที่รองรับองค์มรรคทั้งเจ็ดที่เหลือเข้าด้วยกันอยู่ที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันถึงรวมพลังกันไปล้างกิเลสได้ถ้าแตกรกระจายอยู่กันคนละทิศคนละทางสู้กิเลสไม่ได้นะสัมมาทิฏฐิไปทางสัมมาสังกัปปาไปทาง ไม่มีทางเลยที่จะล้างกิเลสงั้นเราต้องฝึกจงกระทั่งใจมันตั้งมั่นจริงๆที่หลวงพ่อบอกถึงฐานถึงฐานนะจำเป็นมากนะถ้าจิตไม่ถึงฐานทำํำนิพพสนาไม่ได้อริยมรรคไม่เกิดอริยมรรคไม่เกิดอริยผลก็ไม่มีก็แค่นั้นเองงั้นเรามาฝึกนะสองตัวสติคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายของใจ มาฝึกรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดจิตจะได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นได้สองตัวนี้แล้วเนี่ยแหละไม่ต้องกลัวโง่หรอกขันมันจะแยกให้ดูเลยเนี่ยท่านประธานเนี่ยขันก็เริ่มแยกแล้วนะกายก็อยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตแต่แยกเป็นเวลาเวลาถ้าเวลาโมโหลูกน้องมันก็รวมนะการทำบรรมดา <c oughs> พอไหวไหมสอนให้หมดแล้วนะเคลดลับก็บอกแล้วนะอยู่ที่ทำเอาเองแล้ว คลอยฝึกนะะและพอสมควรกรรบนวัตการหลวงพ่อจ้าคะโยมปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมก็เจริญสติอย่างที่หลวงพ่อได้ได้ได้สอนโดยการใช้อนาพนาสติร่วมกับเอเรียบทเจ้าค่ะ hmm. ก็ทำไปถึงระดับหนึ่งเนี่ย ก, ก็รู้สึกว่ามันก็จับสภาวะได้แต่มันเป็น เข้าใจว่าคงเป็นคณิกาสมาธิใช่ไหคะคณิกะสมาธิก็พอแล้วนะที่จะทําให้เกิดมรรคเกิดผลเพราะคณิกะสมาธินี่ยทํำวิปัสสนาได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าในในสิน่งที่ที่ทําทํามาเนี่ยในบางครั้งคิดว่าจิตตั้งมั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีแต่ในบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่มีจิตตั้งมั่นก็ยังไม่เที่ยงนะจิตตั้งมั่นจะเที่ยงไม่ได้พระอนาคาค่ะค่ะคดในกรณีที่ว่าเราตาม กายตามใจไม่ทันเนี่ยบางครั้งกิเลสที่มันพุดขึ้นมาเนี่ยมันมันเยอะมากพอมันเยอะมากบางครั้งมันครอบงาอารมณ์เราครอบงํำเราก็ทำเราไม่เราไม่รู้ว่าเราควรจะทํำยังไงต่อเราเจริญสติให้เยอะนะถ้าเมื่อไร่มีสติกิเลสจะไม่มีเมื่อไหร่ขาดสติกิเลสก็มานั่นหมายถึงว่าสติของเรายังไม่ยังไม่ไม่ต่อเนื่องมากพอไม่พอนะต้องฝึกอีก แต่ว่าการฝึกอนาปนาสติเนี่ยต้องระวังอันหนึง่งอย่าให้โมหะแทรกอย่าให้ฝึกแล้วจิตซึมนะถ้าฝึกแล้วออกจากสมาธิมาแล้วเงนี้อย่างนี้ไม่ได้เลยนะเห็นไหมในบางครั้ง น, นะเออต้องรู้ทันนะเพื่อออกมาแล้วเอาโมหะออกมานะจิตมีโมหะจิตเป็นอกุศลไปแล้วอุสาหนั่งสมาธิแทบตายแล้วเกิดอกุศลแลจิตไม่คุมกันเลย โมหะพาเราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะนั่นเราพยายามรู้สึกนะพยายามรู้สึกหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวถือจะเรียกอานาปนาสตินะหายใจแล้วเผลอขาดสติไปโมหะครอบไม่เรียกอานาปนาสติเวลากิเลสมันครอบงําเราแรงๆเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนอารมณ์นั้นหรือว่ายังไงจะช่วไม่ได้ก็ต้องถอยเปลี่ยนอารมณ์ก่อน แต่ว่าสิ่งที่จะช่วยเราได้มากนะก็คือเราต้องตั้งใจไว้ก่อนตื่นนอนมาก็ตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลกลางวันก่อนจะไปกินข้าวก็ตั้งใจเราจะรักษาศีลก่อนนอนก็ตั้งใจตั้งใจไปเรื่อยๆวันหนึ่งหลายๆรอบมันจะเป็นการเตือนตัวเองเรื่อยๆเพราะั้นเวลาที่กิเลส ช, ช่วยหยาบครอบมำใจพอจะทำผิดศีลเนี่ยมันจ ะ, ะระลึก ข, ขึ้นได้ไม่ได้ผิดศีล น, นะ จะช่วยเราได้ในแง่กายวาจาเนี่ยคิดว่าคิดว่าทันเอแต่ในแง่ใจเนี่ยมันบางทีมันไม่ทันใจถึงยังไงก็ห้ามไม่ได้นะถ้าใจยังมีความปรุงดีปรุงชั่วอยู่เนี่ยยังไงก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยต้องปรุงแต่งห้ามเขาไม่ได้แล้วมีอุบายก็คือ้ทันใหไรู้ทันให้ไวฝึกให้ไวนะฝึกให้เร็วขึ้นให้สติเร็วขึ้นเร็วขึ้นไม่ได้บังคับให้นิ่งหรอกนะ ที่หลวงพ่อบอกว่าสอนว่าให้อยู่ในอารมณ์ทางใจหมายถึงว่าดูดูใจอย่างเดียวในในช่วงที่เรายังไม่สามารถถ้าดูจิตได้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําสมถะนี่เป็นหลักของการปฏิบัตินะเพราะงั้นถ้าดูจิตได้ดูไปเลยถ้าดูไม่ไหวแล้วดูมั่วฟุ้งซ่านมากดูกายเห็นร่างกายนั่งหายใจอยู่ถ้าดูกายเขาไม่รู้เรื่องแล้วมั่วแล้วทําสมถะเลย พุโทโธพุโทโธหายใจเอาความสงบลูกเดียวเลยพักก่อนพักก่อนอมันต้องมีแนวรุกแนวรับนะของคุณไปฝึกระวังเรื่องโมงหะแรทรบซะนัะมันจะซึม ง, ง่ายระวังอ่ะต่อไปไไครับก็พอจะถามหลวงพ่อหลวงพ่อถามบ้างปีนี้กับปีกลายเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเยอะเลยครับก็แล้วจะมาถามทำไม <laughs> อากดีครับแต่ไม่จิตถึงฐานไหมครับปัญหาเดิมครับคื อ, อ, อจิตไม่ไม่ถึงฐานนะครับแล้วก็มักจะลืมว่าจิตไม่ถึงฐานครับมันไม่ใช่ปัญหาเดิมหรอกแต่เดิมจิตไม่ถึงฐานอยู่แล้วไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้จิตไม่ถึงฐานรู้ว่าจิตไม่ถึงฐานเดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วนะครับเะั้นที่ทํามานะ่ะดีแล้วถูกแล้วไปทําอีกครับเออแล้ว ตัวประคองอครับรู้สึกว่ายังมีประคองอยู่ด้วยครับเออประคองเขารู้ว่าประคองอยู่ประคองเพาะโลกอยากดีกดีครับอยากดีอยากรู้ตลอดเวลาอยากรู้ชัดๆอยากได้ผลไยๆจากประคองครับให้รู้ทันใจที่อยากออแล้วตัวจิตไม่ถึงฐานนี้ให้รู้ทานว่าจิตไม่ถึงฐานแค่นั้นหละอย่าอยากถึงนะยิ่งอยากยิ่งดิน้นทาสมาธจะช่วยให้ ทำสมาธิถูกชนิดนะถึงฐานหลวงพ่อเนี่ยทําสมาธิแต่ดเด็กนะทีแรกทําแล้วจิตออกนอกทําไปหายใจแล้วลมตื้นตื้นต้ น, ต น, ตนกลายเป็นแสงสว่างแล้วตามแสงออกข้างนอกไปเที่ยวเลยจิตไม่เข้าฐานต่อมาเนี่ยกลัวว่าออกไปข้างนอกแล้วพี่เจอผีจะทําไงแต่ไปไม่ให้จิตออกข้างนอกนะพอจิตจะเคลิ้มออกไปหายใจแรงที่นี่รู้สึกตัวไว้ในท่สุดจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่นะแต่เดินปัญญาไม่เป็นไม่รู้จะไปยังไงต่อ หลวงพ่อเนี่ยเวลาเจอครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมนะถ้าไม่รู้ชื่อหลวงพ่อท่าเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ทำไมเรีว่าผู้รู้ไม่ได้รู้อะไรหรอกรู้ตัวนั่นเราฝึกให้จิตเป็นผู้รู้นะหลวงพ่อมีคําแนะนําเพิ่มเติมไหมครับทําบ่อยๆนะทําไปที่ทําอยู่น่ะดีแล้วละ่ะศีลห้ามดีอย่งางบริบูรณ์อย่งก็ตั้งแต่มาฟังทำหลวงพ่อก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอจนช่วงประมาณสามสี่ปีหลังนี้คือ มั่นใจว่าสินค้าบริบูรณ์นะครับโมทนานะหายากแล้วจิตใจอยู่กันนั้นก็ตัวบ่อยไหมหลงหลงยาวไหมจะเป็นช่วงเวลาไปเพ่งนะครับก็เลยจะรู้สึกว่าจะแก้ด้วยกันเลิกสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมไปนะครับแล้วก็ที่จริงเบื้องต้นเพ่งไว้ก่อนไม่เป็นไรนะรู้ว่าเพ่งค่อยๆ ค, ค, คลายออกบางคนใจร้อนอยากแก้เร็วๆแกล้งทําลืมไปเลยเลยฟุ้งซ่านไปเลยครับระวังตัวนั้นนะเหนียมจะฟุ้งไป เ้อต้นตึงไม่หน่อยหนึ่งไม่เป็นไรตึงไม่มากแล้วให้รู้ทันจิตที่โลภอะ่ะทําลายต้นต่อของมันถ้ารู้ทันจิตที่โลภมันก็เลิกเพ่งไปเองอะอันนี้เบาตอนนี้เ บ, า, นนบาไปไหมครับเบา <c oughs> ฟุ้งหรืยังล่ะเริ่มฟุ้งแล้วเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะต่อไปฝึกได้ดีนะคน AI อเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะเลยผิดหูพิดตา <c oughs> แต่บางคนก็คงเส้นคงวา่า <c oughs> อ้าวว่ามานมัส ก, การหลวงพ่อครับก็ตืนนี้ตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีกดกดจิตจิตมันกดกดของมันทิ้งนะครับก็อ่าก็คื อ, อยังรู้สึกว่าใจมันยังรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นตัวเราบังคับได้อยู่อ่ะครับแต่ฝึกไปเรื่อยจนเห็นความจริงอะ่ะพอพอมันเห็นอย่างนั้นพอมาเห็นอย่างนั้นมันก็จะอดไม่ได้ที่จะแบบพยายามไปบังคับกายบังคับใจ เพราะมันยังรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นของเราก็ฝึกเรือเร่อยนะจนกระทั่งเห็นความจริงอ่ะสั่งมันว่าอย่าหิวมันก็หิวสั่งมันว่าอย่าง่วงมันก็ง่วงนะสั่งมันไม่ได้อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายจงสุขอย่างเดียวห้ามทุกข์จงดีอย่างเดียวห้ามชั่วสั่งไม่ได้ดูของจริงไปเรื่อยของจริงมันจะฟ้องตัวเองนะไม่ใช่เราหรอกดูบ่ยบยอย ก็จิตยังไม่ค่อยตั้งมั่นนะครับทีนี้ต ก, ก, ก็อยากจะไปทําให้มันไม่ตั้งทําให้มันตั้งมัน่นนี่แหละก็ต้องซ้อมเอานะทุกอย่างไม่มีฟลุกหรอกทุกอย่างเป็นไปตามเหตุอยากได้ผลต้องทําเหตุคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปบ่อยๆอย่ะนะทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยสิบนาทีนะเช้าก่อนมาทํางานเพาะสิบนาทีหรือระหว่างนั่งรถมาทํางานถ้าไม่ได้ขับเองนะก็ดูได้เลยทําพาะสิบนาที ก่อนจะไปกินข้าวทำซะหน่อยหรือกินข้าวแล้วมีเวลาเหลือหน่อยก็มาปฏิบัติมาฝึกรู้ทันเดินจงกรมก็ได้กินข้าวแล้วนั่งก็หลับเดินจงกรมแล้วจิตห น, นีไปแล้วรู้ว่าอย่างเงี้ยฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะจิตจะจตั้งมัน่นข่้นมาคือฝึกรู้ใจที่มันไม่ตั้งมันน่นแล้วใช่ฝึกรู้ความไม่ตั้งมัน่นมีนิดนึงครับถ้าจงใจจะไปดูมันผิดป่ะครับจงใจไปดูใหม่ๆมันเป็นทุกคนแหละแต่มันแน่นมันตึงเกินไปแต่เบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อน ไม่จชคใจก็ไหลไหลลงไปเลยอย่างคนที่สองเวลาที่เราดูสภาวะนะถ้าจิตเคลื่อนไปดูให้รู้ทันนะอย่างเรารู้ลมหายใจนี่จิตเคลื่อนไปที่ลมนะให้รู้ทันนะนี่แะจิตไม่ตั้งมั่น่ะนะจิตจะได้เป็นตัวรู้ขึ้นมาจิตนี้ไปคิดไหมนีไปคิดเออนีไปคิดให้รู้ทันเห็น ไ, ไหมหลวงพ่อถามเอาอต่อขอ้อพึ่งครับกราบนมศาสรรการหลวงพ่อคะ่ะ ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะหัวใจจะเต้นออกมาข้างนอกแล้ว่ะให้มันออกมานะก็คอยฟังฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อมาประมาณสองสามปีแล้วเจ้าค่ะแล้วก็พยาย <ม S 1> <ข planets S 2> ามปฏ<ข>ิบัติตามมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่ว่ากำลังสรรับสนว่าตัวเองจะยึดวิหารลรทำอะไรดี <ม S 1> อย่างนี้ค่ะของหนูช่างคิดไหมคิดมากเจ้าค่ะคิดมากดูจิตจ้่ค่ะ คิดมากเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านทาสมาธิไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ดูกายได้ไม่ดีหรอกนั้นดูจิตไปเลยสังเกตไหมจิตสงสัยว่าจะเอาอะไรเป็นวิหารธรรมดีรู้ว่าจิตกำลังสงสัยอยู่แค่นี้เองง่ายดูจิตไปเลยเจ้าค่ะบางทีดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะจมตามไปกับความคิดเออให้รู้ทันว่าจิตจมลงไปแล้วน่จิตไม่ตั้งมั่นละค่ะอรู้ทันว่าจิตจะจมลงไปจิตก็ตั้งขึ้นมา ไม่ต้องกลัวนะถ้าจบเรารู้ว่าจบมันก็ขึ้นมาเองค่ะเขาอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําสิ่งที่ตัวเองยังติดขัดแล้วควรแก้ไขนะเจ้าค่ะมันช่างคิดนะใช่มันช่างคิดมันฟุ้งซ่านเก่งช่างสงสัยอะไรเนี่ยดูมันเข้าไปตรงๆเลยสงสัยรู้ว่าสงสัยฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านรู้มันเข้าไปตรงๆงเลยว่ามันกําลังสงสัยอยู่มันกําลังฟุ้งซ่านอยู่ไม่ได้ห้ามมันนะค่ะอ่ะต่อไปขอบคุณค่ะ นมัสกรารหลวงพ่อครับผมจะถามหลวงพ่อทีหนึ่งครับพอดีผมติดตัวรู้ครับอืพอดีว่าอย่างนี้ผมรู้ว่าผมตื่นเต้ผมก็รู้เวลาโกรธผมโกรธผมก็รู้อืแต่ทีนี้ผมกําลังสงสัยว่าไอตัวที่ผมรู้เนี่ยมันเป็นตัวรู้จริงหรือว่าผมคิดเองครับตัวนี้เป็นตัวอารมณ์นะอย่างความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าโกรธเนี่ยเป็นตัวอารมณ์นะถ้ารู้ทันเทือบมาถึงจิตจริงๆดูลงไปอีก จิตมันยินดีกับความโกรธก็มีนะนังจะคล้อยตามไปจิตมันยินร้ายต่อความโกรธก็มีรู้ท่านก็มาให้ถึงจิตถึงใจเลยรู้ท่านแล้วตามไหมครับหรือว่ารู้ไม่ตามอย่างมันโกรธขึ้นมาเราเห็นเลใจละใจมันโกรธอันที่หนึ่งรู้ว่ามีอาการอะไรเกิดขึ้นมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมีความโกรธเกิดขึ้นอันที่สองใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะหรือใจเกิดสงสัยว่าจะตามดีหรือไม่ดีรู้ว่ากําลังสงสัย ให้รู้เพงเดียวเลยใช่มครัรู้เข้ามาที่จิตนะไม่ไปรู้ที่โกรธนะครับแล้วอย่างอย่างสภาวะตอนนี้เนี่ยมันตื่นเต้นนะครับผมก็รู้ว่ามันตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นแล้วอยากหายไหมไม่อยากครับก็ปล่อยมันเดี๋ยวมันก็ต้องหายเออันนี้ปล่อยทางทฤษฎีนะที่ว่าเดี๋ยวก็หายครับก็เลยอยากแนะนําขอคําแนะนำหลวงพ่อครับว่าจะทําไงต่อต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นหน่อยนะแล้วความสงบก็จําเป็นถ้าจิตเราฟุ้งก็ดูยากหน่อย ทุกวันแบ่งเวลาทําความสงบจิตบ้างครับไม่งั้นฟุ้งไปเฉพาะตอนนั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมครับหรือว่าตอนอทําจิตให้นิ่งครับทําควา ม, มสงบ ม, มีเวลา5นาทีชั่วโมงทําสัก2นาทีอะไรองี้ก็ได้อย่างถ้าเกิดผมรู้ตัวตลอดเวลาว่าผมกําลังทําอะไรจะเดินไปไหนยังไงอะไรทําไงอันนี้ถือเป็นสภาวะตัวรู้เหมือนกันไหมไม่ใช่ไ ม, ไม่ใช่จิตยังไม่ตั้งมั่นเพื่อมาเป็นคนดูนะ ถ้ามันตั้งมั่นเป็นคนดูจริงจมันจะรู้สึกว่าร่างกายมันทําจิตเป็นแค่คนดูอยู่โดยที่ไม่ได้ประคองหรือไว้ที่จิตเลยจิตจะไม่มีน้ําหนักนะจิตจะโปร่งโล่งเบาเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอยู่ตหาหับแต่ถ้ามันเคลื่อนไหวแล้วจิตจะดูไปเรื่อยนี่จงใจอย่างนี้นะครับอย่างนี้ยไม่ใช่ตัวรู้อั น, นี้ประคองอยู่ต้องกลับไปฝึกฝึกสมาธิให้ดีไงฝึกสมาธิชนิดที่ว่าจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้เบสิกสําคัญนะ เบสิกสำคัญที่สุดเลย mm hmm. ตอหลวงพ่อเข้าจุฬาเนี่ยหลวงพ้าไปฝึกกระบี่ฝึกกระบี่เนี่ยโอ้โหเขาฝึกกันไปหลายท่าหลวงพ่อเล่นอยู่ท่าเบสิกเล่นอยู่ท่าเดียวนะสู้กับใครก็ได้นะ mm hmm. เอ้พวกรีลาลํามากเลยเราไม่มีท่าลําเลยตีหัวมึงอย่างเดียวเลยมึง ล, ลําเหรอโอ้เหเพราะนเราไม่ต้องมีกระบวนท่ามากากว่านะ mm hmm. รู้ว่าทันจิตมันไปบ่อยๆจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ฝึกเบสิก hmm. ให้ชํนานาญ ข้านจิตนี่ไปคิดไหมคิดครับนี่แหละจิตนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันคิดอีกรึยังคิดดีครับเออเนี่ยเรารู้อย่างนี้บ่อยๆแล้วมันมันคิดเร็วมากที่หลวงพ่อว่ามันฟุ้งอ่ะมันมคิดอุตลุดเลยคิดเร็วฝึกตัวฝึกรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดะฝึกให้มากเลยนะครับถ้าจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาครับครหมดเราหรือ หลวงพ่ออุตสาถามนํานมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อประมาณห้าเดือนแต่ความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นปีอะค่ะเพราะสภาวะเกิดขึ้นมากมายค่ะเหลังจากที่เจอหลวงพ่อเดือนมีนาเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งมีวันที่ว่ารู้สึกว่าหงุดหงิดเพราะวันศุกร์ที่เราทําการงานยังไม่ไปถึงไหนเนี่ยหงุดหงิดหงุดหงิดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาใช้แรงงานทํางานนู่นนี่จนกระทั่งกลับไปบ้านก็ภารกิจที่บ้านเสร็จเข้าห้องน้ํา ล้างมือที่กระจกมองที่กระจกปุ๊บมันสะดุ้งเลยว่านั่นเป็นรูปอืเราเป็นผู้รู้ไอความขุ่นขีมันหล่นไปที่ขามหมดแล้วค่ะมันมีตัวรู้ตัวนี้ขึ้นมาเลยแล้วมันก็มีความสุขเบิกบานว่าไม่ใช่เรานั่นเป็นรูปผลเดียวอะค่ะที่เห็นอย่ารักษามันนะคลเดียวค่ะที่หนึ่งอย่ารักษาอันที่สองอย่าอยากให้เกิดอีกค่ะถ้าอยากให้เกิดอีกจะไม่เกิดอีกแล้วค่ะเพราะใจเป็นโลกค่ะตอนนั้นมันเกิดจากอะไรสติเราระลึก เห็นรูปแต่หน้านะสติระลึกรู้ใจตั้งมั่นเป็นคนดูมื่เห็นรูปไม่ใช่เราแล้วค่ะไม่ได้เจตนาค่ะก็ทํามาเรื่อยๆแต่ว่าเห็นจริตตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ว่าฟุ้งซ่านรักสวยรักงามเห็นอะไรไม่เรียบร้อยต้องไปทําต้องไปทํามันมีแรงดันที่ทําให้เราอยู่นิ่งไม่ได้ต้องทําตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็จิตมันอ่อนแรงมีความรู้สึกเศร้าหมองไปต่างจังหวัดซึ่งควรจะมีความสุขกับเป็น ครั้งที่ทุกที่สุดอืกลับมาดูตัวเองว่าครูบาอาจารย์บอกว่าให้ปฏิบัติตอนเย็นด้วยพัดปฏิบัติทำวัดเช้าเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่พอก็มาทําตอนเย็นก่อนเข้าพรรษาประมาณสักเดือนหนึ่งะะอ่ะค่ะก็มาเกิดอุปัติเหตุหลังจากเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านว่าเราไม่ต้องไปที่ไหนเรามีเวลาตั้งใจว่าพรรษานี้จะปฏิบัติเช้ากลางวันเย็นก็เลย เกิดอุบัติเหตุเท้ามันลื่นรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยตัวมันไหลลงไปแขนไปฟาดก็ได้แขนที่เข้าเสื่อกมาค่ะรู้สึกไหมมันเห็นเป็นช็อตช็อตไมันเบาไปเลยค่ะมันไหลลงไปหลังไม่เป็นศีรษะไม่เป็นขาไม่เป็นแต่ว่าแขนตรงเนี้ยเสติสติมันไวนะะมันผ่อนหนักเป็นเบาได้พอเข้าเสือกเสร็จนั่งรถกลับมาบ้านแขนมันเจ็บทูใจใจไม่ได้ทุก แล้วก็สุขที่ว่าเออทาภารกิจเสร็จเข้าฝฟือกเสร็จแล้วแล้วก็ผจญจงกระทั่งคุณหมอคนนั้นไม่ใช่คุณหมอที่เป็นหมอกระดูกเข้าเฝือกโดยที่กระดูกยังไม่ได้จัดอีกสามวันต่อมามันบวมก็เลยต้องไปให้คุณหมอกระดูกจัดณนะเวลาที่เข้าไปในห้องฉุกเฉินเนี่ยตั้งตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ดูดูรูปมันนอนอยู่แล้วคุณหมอก็มาทำภารกิจคือหักกระดูกแขนเราเนี่ย เห็นเวทนาเวทนาเวทนาอันนี้เป็นการที่เราจงใจจะดูมันเพื่อว่าเราจะได้ถอนจากความจำเจ็บปวดเพราะอยู่ที่โรงพยาบาลไปคนเดียวกลับบ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลับมาดูว่าเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วเคยแขนหักข้างซ้ายสามเดือนนั้นจิตใจเศร้าหมองหดผู่โลกนี่มันมันเศร้ามากแต่ณตอนนี้เนี่ยจิตเราไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเจ็บส่วนข้างนอกส่วนว่าข้างในเนี่ยไม่ต้องไปทุกข์เห็นคนรอบตัวเราทุกข์มากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วสองสมวันนะคะไปถอนฟันนะค่ะหมอก็ถอนไม่ออกหมอตกใจมากเลยถึงแล้วตกใจนล้เราต้องปลอบหมอนะค่ใจเย็นเยนหมออย่าตกใจออค่ะตอนที่คุณหมอหักกระดูกอะค่ะเขาหักยิงก๊อกโยมเจ็บมากเลยก็เกรงใจสงสารคุณหมอเขาอุตส่าห์ทำก็คุยเขาหมออยู่มัจดนมีจักรยานนี่และอาทิตย์หนึ่งต่อมาไปหาคือเมื่อวานกระดูกคุณหมอทําหักค่ะ คุณหมอเข้าใจว่าเราเนี่ยอายุคงจะแข็งแรงเห็นหน้าตาแบบคงจะแข็งแรงแต่กระดูกบางมันเลยเป็นหักสองที่<ม>ซึ่งคุณหมอก็เราเข้าใจเราไม่ได้โกรธ<ม>ก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นเหตุ<ม>เราก็ต้องผจนตรงนี้ไป<ม>แล้วก็สองสาวันที่เข้าเฟือกมาโยมเห็นว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์ <Yeah. S 2> ในตัวมันเองทุกข์ทั้งนั้นเลย<ม>เราต้องดิ้นดินดินไปหาสุขสหน่อยหนึ่ง<ม>แต่ในสภาพนี้มันมีทุกข์ตลอดเวลา มันยังไม่พอนะมันยังไม่เห็นทุกจริงหรอกใจมันยังมีโทสะเจือให้รู้ทันไปใจยังไม่กลางไปดูตัวนี้นะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ ะ, ะต่อไปกลกระใจมันแยกแต่ใจมันยังทุกใจมันยังมีไม่แช่มชื่นแล้วมันซ้อนอยู่แต่แยกเก่งแลยนะแยกกายกระใจเก่ง ข่าน้ำัสการค่ะยังหารูปแบบที่ไม่เจอค่ะไปหามมนทำไมล่ะใ <c oughs> ครดูปัจจุบันไปร <c oughs> ่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเอาจิตเราน้าไปเอาเปลือกมันรูปแบบของการปฏิบัติมันแค่เปลือกเท่านั้นแหละสภาวะจิตที่เป็นคนไปรู้อารมณ์ต่างๆมันเป็นยังไงตัวนี้สาคัญกว่างั้นเรารู้ทันจิตไป ไม่ใช่นั่งสมาธิดีหรือพุโทโธดีหายใจดีเดินจงกรมดีอะไรนี่ยะอันนั้นเปลือกเท่านั้นถ้าจิตเราถูกต้องนะจะพุโทโธก็พุโทโธถูกนะหายใจก็หายใจถูกทําอะไรก็ถูกมนะถ้าจิตเราผิดนะทํำอะไรก็ผิดหมดนะตัวสําคัญนะรูปแบบเป็นตัวรองนะรูปแบบนั้นแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนไม่ต้องไปหามันให้คอยรู้ทันจิตไว้ งั้นถ้าจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตสงบรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันรู้บ่อยๆนะแล้วรูปแบบมันค่อยเจอทีหลังแล้วอย่าไปกังวลเรื่องรูปแบบกรรมนรมาสการหลวงพ่อครับเอาการปฏิบัติมาถวายหลวงพ่อดีหลวงพ่อพอใจเอ๋อผมฟังซีดีหลวงพ่อประมาณสามสี่ปีครับแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นครับแต่คือเพิ่งเห็นเยอะๆเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับรู้สึกว่าสามปีที่ผ่านมาเหมือนปฏิบัติผิด ไม่เป็นไรนะแล้วอีกสามปีข้างหน้าก็จะรู้ว่าตอนนี้ก็ผิดอีกเพราะอะไรเพราะว่ามันดีขึ้นไปเรื่อยๆไงครับไอ้ของเดิมที่ว่ามันดีอยู่แล้วมันยศไม่แค่ของดีแล้วะมันจะพัฒนาขึ้นไปงั้นสามปีที่ผ่านมาไม่เสียหลายหรอกอาศัยสามปีที่ผ่านมานะเป็นฐานที่จะก้ามาส่วนนี้ต่างหากนะไม่ถือว่ามันผิดหรอกครับแล้วมันตอนนี้คือตอนนี้มันรู้สึกเหมือนเหมือนมันแยกกายออกมาจริงๆแล้วครับใช่ มันมันเบาออกมาเออนะแต่เราไม่ประคองนะอย่าไม่รักษาจิตให้แยกนะถ้าแยกเขาแยกเขาเองไหลไปรวมก็ไม่ว่าเขาต้องแยกเองถ้าไปรักษากลัวมันจะไหลเข้าไปนะกลายเป็นใจเฉินทื่อๆไปครับใจทื่อๆบ้างไหมถืถ่อมาเยอะเลยครับเออนะเราก็อย่าไปทําอย่างนั้นแล้วมีอะไรต้องแก้ไข <laughs> ให้มันแยกเองไม่รักษาครับผมให้มันเป็นไปเองเมื่อมันเป็นแล้วก็ไม่รักษามัน แค่รู้ว่าตอนนี้มันแยกแค่รู้ว่าตอนนี้มันรวมการที่เราแยกกายกับใจตั้งมั่นตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะมีตัวรู้แต่เรามีตัวรู้เนี่ยเพื่อจะตัดชีวิตเราให้ขาดเป็นท่อนๆเราจะเห็นว่าชีวิตตะกี้หลงชีวิตขณะนี้รู้ตะกี้หลงขณะนี้รู้สลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆการที่มันสลับไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตที่หลง ก็ห้ามไม่ได้จิต ท, ที่รู้ก็ควบคุมไปไม่ได้จิต ท, ทั้งหมดนั้นเสมอกันหมดเลยระหว่างจิตรู้กับจิตหลงนั้นเท่าเทียมกันเนี่ยที่เราปฏิบัติก็เพื่อมาสู่จุดนี้แต่ทําไมต้องมีตัวรู้ถ้ามีแต่จิตหลงมันก็หลงหลงหลงนะมันรู้สึกจิตเที่ยงการที่มีจิตรู้เข้ามาขั้นมันจะเห็นตะกี้นี่หลงตอนนี้รู้คนละอันกันมันจะเห็นว่าเป็นคนละดวงกันสุดท้ายก็จะเห็นว่าจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับ ตรงนี้ต่างหาที่เราต้องการเพราะฉะนั้นไม่ต้องพยายามทําให้มีจิตรู้ตลอดเวลานะครับแล้วต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมมั้ยไม่แก้ให้รู้ทันว่าไปทําอยู่ประคองนะพร้อมข่าวพร้อมข่าวดีที่ฝึกอยู่ขันเปนแยกอย่างนี้นะครับนรัสการเจ้าค่ะสมมติว่าปุรับเราจะตายนะเราแยกอย่างเงี้ยสบายไปพรมโลกเลยครับนรัสการเจ้าค่ะเมื่อคราวที่แล้วที่หลวงพ่อมา หนูใช้กายเป็นวิหารลธรรมแล้วก็สลับปับจิตปีนี้คราวที่แล้วที่มาส่งการบ้านพระอาจารย์บอกว่าจิตมันไม่แข็งแรงให้นั่งในรูปแบบาขึ้นไม่มีแร ง, แบบ ง, แรงให้ทาในรูปแบบมากขึ้นั็ดีแล้วนี่ตอนที่จิตมีแรงกว่าเมื่อ ก, ก่อนไหมมีเจ้าคะนะดีทำไปอีกไม่เลิกน ะ, ะทุกวันทำในรูปแบบทำแล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อว่าให้จิตสงบจิตดีจิตวิเศษ ว, วิโสอะไรหรอก ทำ <Okay. S 2> แล้วเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดเลยอุตสาหนั่งสมาธิมานะจิตสงบสงบชั่วคราวก็เสื่อมใช่ไหมเ <Okay. S 2> นี่ยดูไปเพื่อจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเราต้องการตรงนี้ต้องการปัญญาอย่างนี้ไม่ได้ต้องการเอาดีเอาสุขเอาสงบนิรันดร อ, อะไร <Okay. S 2> นะแต่มีช่วงหนึ่งที่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่หนูฝึกมาตนถึงช่วงเนี้หนูเจ้ากายมือหารละคําทุกครั้งที่มีอะไรกระทบจะวิ่งเข้ามาที่กายกับจิต แต่พอตอนหลังเนี้ยเข้ามาเหมือนหากายไม่เจอไม่เป็นไรมันเข้าจิตแล้วถ้ามันเข้าถึงจิตดูจิตไปเลยตายเป็นบ้านของจิตนะถ้าเข้าถึงจิตแล้วกายไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วหลวงพ่อนะขนาดภาวนาหลวงปูดด่ดนว่าใช้ได้แล้วนะมีวันหนึ่งอดไม่ได้ไปถามหลวงปู่หลวงปู่ครับผมต้องพีรณาคกายบ้างไหมพอผมไปที่ไหนที่ไหนนะมีแต่ครูบาอาจารย์พูดถึงพุโทโธพี่นาคกาย แต่ความจริงท่านพูดกับคนอื่นนะหลวงพ้านะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนท่านก็สอนให้ดูจิตทั้งนั้นเลย mm hmm. แต่ว่าสงสัยไปไหนเข า, เ ข, าเข้าดูกายดูกายไปถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่บอกว่ากายเป็นของทิ้งเอาอะไรเขาดูกายเพื่อให้เห็นจิต่ถ้าถึงจิตถึงใจแล้วเอาอะไรกับกายนี่ท่านสอนอย่างนี้นะ mm hmm. ไปเจอหลวงปู่สุวั์ท่านก็สอนบอกท่านไปหาหลวงปู่มั่นมาหลวงปู่มั่นบอกดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย ดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้นะทําสมถะไว้ทําความสงบไว้ดูกายเพื่อให้เห็นจิต ด, ดูจิตเพื่อให้รู้แจง้งแล้วที่หนูแยกเห็นกายกเห็นกายกเห็นจิตแยกกันอย่างนี้นหนูหนูทำใช่ถูกดูไปเรื่อยนะแต่อไปเหม่มีตัวเราแลวคะ่ะหนูก็สงสัยอีกนิดนึงตรงที่ว่าเวลาหนูทําในรูปแบบเนี่ย พอนั่งปั๊บหายใจไม่เท่าไหร่เนี่ยจิตมันจะหนีไปคิดตลอดเลยใช่หให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิด<ะ>ถ้างนั้นเราจะเพิ่มการหายใจให้แรงขึ้นกระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้นสติอ่อนไปหนูใช้วิธีการเอาจิตกับลมเดินได้ได้แบบออกซิซันได้เห็นไหมออกซิซันอยู่ในตัว นมัส ก, ก้าหลวงพ่อครับผมส่งการบ้านครั้งนี้ไปครั้งแรกนะครับเลยอยากรู้ว่าตัวเองปฏิบัติยังอยู่ในร่องในรอยอยู่หรือเปล่าครับเลยครับต้อถามตัวเองมา้างเพราะว่าปฏิบัติมาปีกว่าเลยรู้สึกว่าหลังๆเริ่มรู้สึกเห็นทุกข์มากขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าบางทีมันดูอึดอัดหรือว่ามไม่รู้เราทําถูกหรือทําผิดอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอึอาดอัดไม่ถูกหรอกอแต่เบื้องต้นหัดใหม่ๆมันอดเพ่งอดจ้องอดอะไรไม่ได้น้ําก็อึอดอัดครับ เราก็ค่อยๆรู้เอาค่อยๆ ค, คลายออกทำใจให้มสบายไม่รีบร้อนการปฏิบัติเนี่ยต้องไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่เนิ่นช้านะท้อแท้ท้อถอยไม่เอาภาวนาไปสม่ำเสมอได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ทำสงบเพาปฏิบัติฟุ้งซ่านก็ปฏิบัติดีก็ปฏิบัติชั่วก็ปฏิบัติดูไปเรื่อยๆแล้ ว, ลวมันค่อยดีขึ้นเองแหละแล้วเวลานั่งสมาธิอย่างบางทีงงทพุโทโธก็รู้สึกมัน ไ, <ป S 1> ไม่ดูโทสะไป <ด>ตัวสารแทรกแล้วเวลาถ้าเกิดนั่งังใช้วิธีการฟังซีดีได้ไหมครับคือผมรู้สึกว่าเวลาฟังซีดีมันรู้สึกจิตสงบมากกว่าอะไรเงี้ยครับฟังซีดีแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบใช้ได้ครับนะถามว่าเราอะไรเป็นวิหารธรรมอาศัายเสียงอาศัายเสียงนะแล้วก็มารู้ทันจิตงั้นสิ่งที่เราใช้เราใช้จิตนะรงั้นเท่ากับเรานั่งรู้ทันจิตไปเรื่อยฟังอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้ฟังอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้ บางทีฟังหลวงพ่อเทศก็สงสัยหรือว่าจิตสงสัย บ, บางทีก็ขำหรือว่าขำนั้วหลวงพ่อจะไม่เทศแบบโมโนโทนนะครับดังเราไปนี่อะไรอยรฟังแล้วจิตไม่ก็ไม่กระชากเลยนะแล้วผมนี่พอจะบางทีเหมือนแยกกายแยกใจได้ไดบ้างแล้วใช่ไหมครับเออก็แยกได้บ้างนะครับเพราะเหมือนบางทีรอนปีที่แล้วรู้สึกดีกว่านี้มากแต่ว่าพอปีนี้รู้สึกมี ยิ่งภาวนานะจะยิ่งเห็นนะเราร้ายกว่าที่คิดนะมากครับนะแต่ก่อนแล้วเราก็ว่าดีนะครับไม่ดีหรอกยิ่งค่อยเรียนค่อยรู้ไปแลล้ววเาที่ฝึกอยู่ดีนะครับแล้วเวลาขับรถนะฮะบางทีเหมือนแบบตัวเองเหมือนเห็นตัวเองแบบขับเป็นแบบชดชดชๆชเงี้ยมันไม่รู้ว่าเห็นจริงหรือเปล่าเห็นจริงเลยมันเห็นรูปรูปนั้นเกิดดับเป็นชดๆเลยนะครับแต่อย่าให้จิตรวมอย่าให้เป็นสมาธิเห็นเกิดดับไม่เป็นไรอย่าให้รวมรูป อีกทีหนึ่งเจอโยมบ่าบานแล้วแล้วพอมีอะไรต้องแก้ไขบ้างมหครับใจร้อนครับไปดูตัวนี้เลยได้ครับนะแใจร้อนมันจะเอาเร็วครับใช่ไหมใช่ครับแหลไม่หลอกหรอกขอบคุณมากครับ น, น้การนมัสการหลวงพ่อนะคะเออตอนนี้ดูความรู้สึกเห็นอารมณ์แต่รู้สึกว่ามันมันตั้งอยู่ห่าง เราเห็นกายเหมือนกายมันตั้งอยู่ห่างๆทีนี้เราใจใจมันแข็งแข็งไหมหรือใจปลอดโปร่งโล่งเบาอตอนนี้มันเฉยๆอะค่ะมันเฉยกว่าปกติไหมนี่ไงมันเกินนะมันเกินไปเราจงใจแรงไปจงใจที่จะดันมันออกไปงั้นเรารู้สบายๆนะใจโปร่งโล่งเบาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอตอนนี้มันตื่นเต้นมันเลยบีบเข้ามานะใช่ใ่ ะนะให้เรารู้นะถ้าถ้าบีบอยู่ไม่ใช่ตัวรู้หรอกอนะแล้วจิตมันถึงฐานหรือยังคะขนาดนี้หรือหรือขนาดไหนตอนนี้ค่ะตอนนี้หรอจิตไม่อยู่กับหลวงพ่อมันจะถึงฐานได้ยังไง <c oughs> <c oughs> ดูออกหรือเปล่าจิตมันไปข้างนอกเจ้าค <c oughs> ่นะแ ล, แล้วปกติโยมที่ปฏิบัติอยู่นี้มันถึงฐานหรือยังนะคะโยมไปคอยดูตัวนี้ดีกว่านะต่อไปนี้นะถ้าใจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน รู้เฉยๆไม่บังคับให้สงบนะอย่าไปเค้นอย่าไปบังคับมันนะไป แ, <ต>แค่ว่าเขาไหลไปแล้วรู้เขาไหลไปแล้วรู้ฝึกตัวนี้ให้ชำนาญเลยเราจะได้จิตที่มีสมาธิมากๆได้จิตตั้งมัน่นมีสมาธิแล้วก็ขันมันจะแยกแเห็นกายพยักหน้าใจเป็นแค่คนดูตรงที่กายพยักหน้าใจเป็นคนดูต้องระวังอย่าให้ใจแข็งๆอยู่เนีย่ยรู้อย่างนี้รู้ตลอดเลยนะแต่มันปลอม ใจมันจะทื่อๆแปลว่าต้องไม่ตั้งใจไปดูให้มันรู้ใช่แต่ฝึกเข้าไปเรื่อยๆจนเขารู้ของเข้าได้เลยที่ไม่ได้จงใจนะถ้ายังจงใจจะแน่นเพราะว่าที่ผ่านมานี่จงใจตลอดเลยหรือเปล่าไม่ไม่ตลอดหรอก <c oughs> เป็นคราวๆสิมันไม่เที่ยงหรอกเออทําไมเวลาเออ่จิตมันไปรับอารมณ์มันจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเลยยัง เวลามันออกไปฟังออกไปดูอะไรพวกนี้ค่ะจิตมันติดความสงบนะเพราะงั้นที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกน้อมจิตให้มันนิ่งให้มันสงบนะออกกระทบอารมณ์ข้างน้องจะรู้สึกแย่มากเหนื่อยนะอแสดงว่าเราติดสมรรถะ อ, อย่างนี้คือนั่งสมาธิให้น้อยลงไม่ใช่ให้รู้ทันว่าไปบังคับจิตมากไปนั่งไปนะเราก็คอยรู้ทันเนี่ยอยากสงบล้วไปบังคับเขาอยากรู้ตลอดเวลาอยากรู้ไม่ให้คลาดสายตา นีก่กลายเป็นเพ่งไปหมดเลยถ้าเพ่งมากๆก็กลายเป็นสมถะ oh. นะพอติดในความสงบภายในแนละออกมากระทบโลกข้างนอกนี่โลกเป็นไฟไปหมดเลยทนอยู่ไม่ไหวเลยนะ mm hmm. งั้นถ้าเมื่อไหร่เราเป็นนักปฏิบัตินะถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกอยู่กับโลกไม่ไหวแล้วเราปฏิบัติผิดแน่นอนเลยอย่างนี้โยมต้องออกมาออกมากระทบโลกให้หให้จิตออกมาข้างนอกนะ mm hmm. ให้จิตออกมากระทบอย่าไปประคองนิ่งๆอยู่ข้างใน แล้วให้หลวงพ่อพาดูสภาวะตรงที่ว่าจิตต้องไปดูเอาเองเดี๋ยวนี้ไม่พาละไปหันดูเอานะอ๋อค่ะเงั้นขอการบ้านนะคะเวลาจิตไหลไปรู้ไหมรู้ค่ะนั่นแหละไปหันรู้ตอนนั้นบ่อยๆให้เขาไหลแล้วรู้นะอย่า ก, กลัวไหลแล้วประคองไวใ้ใค่ะให้เขาไหลไปก่อนแล้วรู้ว่าไหลอย่าไปดักดูว่าเมื่อไหรจะไหลของคุณยังดักดูอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ นมันสกานค่ะอืมตื่นเต้นไหมมากค่ะก็ทางนี้หนูมีความรู้สึกว่ามันแบบที่หลวงพ่อบอกค่ะเผลอวันละครเผลอวนละครถ้ามันเยอะๆนะหนูอย่าประหยัดขนาดนั้นหนูก็รู้สึกแย่ค่ะแต่ว่าหนูก็รู้สึกแย่ค่ะแบบเหมือนกับว่าพอก่อนนอนจะฟังหลวงพ่ออย่างเงี้ยนะวันนี้ฉันเผลอทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังดีนะอุตสาไปฟังหลวงพ่อ มันก็รู้สึกว่าเวลาจะรู้สึกตัวแบบก็คือต้องโกรธแรงๆห่วงแรงๆ ห, หรือไม่ก็เบื้องต้นนะหัดดูจิตดูใจเนี่ยเบื้องต้นมันต้องไปเห็นของที่รุนแรงก่อนอารมณ์แรงถึงจะเห็นต่อไปมันประนีตขึ้นนะอารมณ์ไหวนิดนึงก็เห็นแล้วลสุดท้ายมันเหลือแต่ยิบยับอยู่กลางหน้าอกเนี่ยไหวยิบยับยิบยับหนูรู้สึกว่า ั้างหลังเวลาเรารู้สึกตัวค่ะมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนมันเป็นไงมันเรารู้สึกตัวหนูแฮปปี้กับมันมากอืเมื่อก่อนมันไม่เคยรู้สึกตอนนี้มันรู้สึกจนชินไปแล้วมันเหมือนกับว่าพอรู้สึกตัวแล้วมันก็เฉยเฉยไปฮัทใหม่ๆนะพอรู้สึกตัวเป็นจะมีความสุขมากเลยเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านั้นจิตไม่มีสมาธิจิตฟุ้งซ่านตลอดพอรู้สึกตัวขึ้นม่ได้จิตตั้งมั่นได้สมาธิจะมีความสุขขึ้นมา แต่พอเราจิตตั้งมั่นแล้วเรามาเจริญปัญญาเรื่อยนะดูกายทำงานดูใจทำงานต่อไปจะเห็นแต่ทุกข์นะไม่ใช่สุขแล้วนะถ้าเมื่อไรภาวนาจนเห็นว่าสามโลกธาตุนี้ไม่ว่ามีที่หยั่งเท้าแล้วมีความสุขเลยเมื่อไรใจถึงจะก้าวไปได้แล้วก็คืออยากให้หลวงพ่อแนะนาว่าตอนนี้หนูควรต้องแก้ไขอะไรบ้างหนูทำให้สม่าเสมอท <c oughs> นะาตัวนี้แหละค่ะ ข, ขอบคุณค่ะ การในวสการหลวงพ่อครับเป็นครั้งแรกครับหลวงพ่อใช้ได้เออว่าไปก่อนเผลอรู้สึกตัวเองเผลออยู่บ่อยๆครับหลวงพ่อใช้ได้เผลอแล้วรู้ได้บ่อยนะดีมากครับหลวงพ่อจิตเราเดี๋ยวนี้กัจจก่อนเหมือนกันไหมไม่ไม่เหมือนครับเหมือนเห็นไหมว่าโลกมันห่างออกไปครับรู้สึกไหมว่าโลกนะจืดจืดครับนะแต่เราอยู่กับมันนะด้วยความร่าเริงใจ โลกมันจืด น, นะแต่ใจเราล่าเริงนล่าเริงในธรรมะเนี่ยภาวนาเป็นนะถึงจะเป็นทำอยู่เนี่ยถูกแล้วถูกแล้วนะหลวงพ่อครั บ, รบขอบคุณหลวงพ่อครับต้องเร่งนิดหนึ่งเพราะว่าหมดเวลา <laughs> ที่คุณทำานะ่ดีเชลีละแต่อย่าอยากให้ดีตลอดนะคนไหนหลวงพ่อชมนะฟังภาพทุกไลายเลยเพราะอยากรักษาแชมป์เอาเชิญ พุนจูเป็นครศกให้ก็ได้อยแกจะถามลงอยากจะถามลงพ่อขาพนเดินไม่ไหวโอ้ค่อยเป่าให้หนอนได้ไหมหลวงพ่อก็เดินไม่ค่อยไหวเหมือนกันไม่เป็นไรโยมเดินไม่ไหวเราก็นั่งเก้าอี้อนะะนมีคนเข็นไม่เป็นไรหรอกอืมมันมันร่างกายนะมันชำรุดสุดโทรมเป็นเรื่องธรรมดา เราใช้งานนานนะธรรมดายังมีบุญนะมียากิน mm hmm. มันเดินไม่ได้แล้วเราจะทำไงนะ้องขามันมันไม่ยอมเชื่อฟังเราแล้ว mm hmm. เป่าได้นะแต่มันก็เดินไม่ได้อีก mm hmm. <laughs> มันไม่หายหรอกโยมนะ mm hmm. เออมันเดินไม่ไหวนะหลวงพ่อครับในโอกาสมาอยู่ในมือตัวเองเปวนพิธ <laughs> ีกรด้วย mm hmm. <laughs> นะครับตอนแรกกลับว่าไม่จะไม่ส่งกันบ้านหพ่อ แต่ว่าพอนั้นไปนั้นมารู้สึกว่าอยากประจานตัวเองหลวงพ่อครับรู้สึกว่าตัวเองที่มันที่ผ่านมามั น, ม, นมั่วหลวงพ่อครับเดี๋ยวมันก็อะไรก็ไม่รู้หลวงพ่ อ, พอหลงบางทีก็หลงนานนะ บ, บางทีก็หลงออก็รู้ตัวบางทีก็ดูกายเดี๋ยวก็ดูใจอะไรมั่วไหมดเลยหลวงพ่ อ, พอรู้สึกตัวเองมั่วมากทบ้านให้จิตอยู่ก่อนนะครับทำกรรมฐานเบื้องต้นนต้องมีเครื่องอยู่ครับพระเจ้าสอนนะสติปัฏฐานเนี่ยคำแรกที่สอนเลยคือวิหารธรรมครับกายเยกายานุปัสสีวิหารติ มีวิหารธรรมอาตาปีมีความเพียรแผดเผากี่เลสสัมปชาโนมีความรู้สึกตัวมีสติวินัยยะโลเกอพิชตาโทมานัสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกโลกก็คือรูปนามนี่เองงั้นสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ถ้าเราไม่มีบ้านอยู่จิตก็จะร่อนเร่อ ย, อย่างนี้แหละเป็นธรรมดาหลวงพ่อครับตัวเองเนี่ยก็รู้ตัวเองว่า เดินเนี่ยสติดีกว่านั่งแต่มันก็ชอบไปนั่งนั่งเลยปั๊บสักพักก็จะเคลิมเออก็ไปเดินเอา น, ะนั่นแหละมันพอกจะหกักอกใจด้วยถ้ า, ถ, าถ้าอยากคนทุกข์คือเรายังไม่รู้ว่าความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าสมมุติว่าเรารู้นะว่าวันหนึ่งเราต้องวิ่งหนีเอเรียนด้วยความเร็วเก้าวินาทีในร้อยเมตรเราจะขยันวิ่งครั บ, ค, รบความจริงมีตัวที่ไล่พวกเอเรียนความตายตามหลังเรามากระชั้นเข้ามาทุกทีแล้วนะครับ เราต้องวิ่งให้ไหวๆหน่อยในโอกาสนี้นะครับขอเชิญคุณพัชร า, านะครับได้กล่าวบูชาธรรมครับขอเชิญครับ ท, รท่านประธานกรรมธงทวงชาลาบอกวิทย์นะครับแม่ลําไยบอกหลวงพ่อมีคาถาก็นคนเคยมาขอคาถาหลวงพ่อนะ <c oughs> ทีแรกเขามาขอของขลังก่อนว่ามีของขลังอะไรที่ทําให้รวยไหมตอนนั้นหลวงพ่อบวดใหม่ๆอยู่เมืองกาลบอกไม่มีอะ่ะ ของขลังไม่มีงั้นขอจีวรอ อ, อตกตะไกลมาเนาะจะมาตัดผมไม่ได้เรามีอยู่ฝืนเดียวนะตัดไม่ได้งั้นขอคาถามีไหมคาถาทําให้รวยมีอุทานะสัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีร อ, อไม่เอาคาถาอย่างนี้ไม่เอาอยากได้แบบโอมเพีย้ยนเราอย่ากได้โง่แล้วมันจะรวยเข้าไปได้ไงท่องท่องน้าว่ามาเชิญก็หลวงพ่อสอนสัจธรรมอ่ะเนาะ ก็วันนี้เราก็ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งที่สุดๆแล้วก็สะดวกที่สุดเพราะอยู่ในที่ของเราที่ทํางานก็ญาติทำญาติมิตรก็อันนี่มโนหลวงพ่อมาก็หลวงพ่อจะเดินทางลําบากสักนิดหนึ่งนะเราสิ่งที่วันนี้มีซีดีก็ขอให้ทุกคนกลับไปฟังเพราะหลวงพ่อก็พูดสุดๆเทหมดย่ามนะคะ <c oughs> ก, ก็เชื่อว่าก็ฟังแล้วก็เจริญธรรมทุกครั้งนะก็เป็นบุญของพวกเรา นะที่มีพระอริยะมาคุยกับพวกเรานะก็ถือเป็นบุญอย่างยิ่งนะเราก็กราบพระอาจารย์พร้อมๆกันแล้วกันนะไม่อยากจะร้องเพลงพระคุณที่สามนะั้วเป็นเพลงทางโลกโลกนะเมือนกับแม่บอกช่วยเป่าให้หน่อยไม่ต้องเป่า <laughs> เดี๋ยววันนี้แรงบุญแม่จะหายขึ้นนะอ่ะพวกเรากราบอาจารย์งามๆกันแล้วก็เอ่อ นิมนต์ล่วงหน้าแล้วกันว่าปีหน้าหลวงพ่อก็มาอีกรอบนะเป็นเดือนไหนแล้วให้ประจวบมหาวันนะแล้วเดี๋ยวเราจะถวายของให้หลวงพ่อนะอาจารย์บอดครับอาจารย์ครับแล้ครับเราพนมมือแล้วเรากล่าวการถวายพร้อมกันนะครับหมออาารครับหมออาจานย์นะครับเหลยครับพี่เฉยมาพี่เฉยใช่ไหมพี่เฉยเชครับพี่เฉยหัวร้านแม่เป็หน้านะครับอ่ะพวกเราหนึ่งมดพร้อมกัน3ามจบนะครับ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 สังคทานานิจะตุปปัจญานิสัปปริวาลานิพิกขุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกขุสังคโคอิมานิสังคทานานิจะตุปัจญานิสัปปริวาลานิ ปฏิคันหาตุอำหากลงทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแดดพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานจตุปัจจัยและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระพิสุสงฆ์โปรดรับ สังฆท า, านจะถูกปัจจัยและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุ ข, สขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่บรรพชนของข้าพเจ้าทั้งหลายอันมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดการลนานเทิน ทานาปารามิสัมปันโนทานาอุปปารามิสัมปันโน ทานาปรมณ์ทปารามีสัมปันโนเมตตาไมตริกาลุนามุติตาอุเบกขาปารามีสัมปันอิติปิโสภาคะวาพุทธังสารนังคาชามิ นามามีห้างเดี๋ยวให้พอดก่อนนะเดี๋ยวหาว่าพระเอาเปรียบที่ที่เราสวดกันนะมีฐานะบารมีใช่ไหมแล้วก็อุ ป, ปบาฐานะอุ ป, ปบารมีฐานะปรามัตตบารมีมันมีความหมายทั้งหมดเลยนะอย่างฐานะบารมีเนี่ยมันเป็นบามีพื้นๆเราให้วัตถุให้สิ่งของอนะไรเนี่ยอุปฐานะบารมีเนี่ย แกกล้าขึ้นมานะเรากล้าอย่างให้เอาไว้ว่าให้เลือดให้อะไรงนี้ถ้าถึงปรมัาทบา ร, รมีเนะี่ยกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะนะฉะนั้นจะข้ามภพข้ับชาติเนี่ยมันถึงขั้นปรมัตทบา ร, รมีทุกตัวเลยนะมันคือกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะของเรายังไม่แก่กล้าขนาดนะั้นก็เอาบา ร, รมีต้นๆไปก่อนเนาะบริจาคเลือดได้ก็ไปทำานนี้นะให้พร ยถาวาริวหาปุราภริภุเรนติสาครังเอวเมีวาิโตทินังเปตาณังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวสมิจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถาไมณิโชติรโสยถาสัพีติโยวิวัชฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภา อาภิวาธนาสีลิสนิตจังวุฒาปจายโนจะ ต, ตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสนุขังพระลัง ท, ที่นี่มีอะไรปราอๆ เ, เยอะนะ <laughs>